ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกนฉันเรื่องที่พึ่งแท้และที่พึ่งเทียมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8กรกฎาคม2532นะพุทธสถานสติอโุกขอเชิญท่านติตาเรบฟังได้นะบัด น, นี้ จเจริญธรรมท่านผู้ยังไฝในพุทธธรรมอยู่ทั้งหลายถ้าเราได้ท่องบนหรือว่าเราได้สวดมนต์ที่ผ่านไปนั้นซึ่งเป็นคำสวดมนต์ที่ชาวพุทธเรารู้ดีนะว่าเราเองเนี่ยเราขอนอบน้อมต่อพระสมมาพุปัเจ้านอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เซตมาก็เคยอธิบายว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นนะเป็นสิ่งที่เนื่องกัน รวมเป็นศาสนาและเป็นสิ่งที่เนื่องกันพระรัตนตรัยนี่เป็นเรื่องที่ขาดกันไม่ได้ถ้าขาดกันหรือเสื่อมไปเมื่อใดเมื่อใดศาสนาก็เสื่อมไปตามพุทธเป็นแก่นแกนเป็นเนื้อหาแท้นะถ้าเราจะขยายความหมายง่ายๆหน่อยพุทธเป็นแก่นแกนเป็นเนื้อหาเป็นเป้าหลัก จะเป็นตัวตนบุคคลเราเขาหมายเอาถึงพระสมมาธุลเจ้าที่เป็นพระบรมศาสดาองค์หนึ่งก็ตามหรือจะหมายเอาเนื้อหาแท้แท้ของพุทธจนกระทั่งถึงพุทธที่มีมหาศาลพุทธที่มีสมบูรณ์ถึงขั้นผูทที่มีสมบูรณ์จริงๆนั่นก็หมายถึงพระสมมาธุลเจ้าถึงคือพระบรมศาสดาที่ได้บำเพ็ญ สั่งสมบุญบรารมีมีพุทธคุณจนเป็นเจ้าแห่งพุทธคุณแล้วก็มาประกาศพุทธคุณนั้นให้แก่มนุษยชาติได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่เราได้กล่าวต่อมาว่าเราขอเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งพุทธังสรนังกฐามิธรรมังสรนังกฉามิอะไรนั่น เราขอเข้าถึงพระพุะทธธรรมสงค์นี่ขออาศัยพระพุะทธธรรมสงค์นี่เป็นที่พึ่งขอเข้าถึงไม่จะพึ่งได้แค่ปลือกเปลือกผิวผิวเราจะขอเข้าถึงพระพุะทธธรรมสงค์ขอพระพุะทธธรรมสงค์นี่แหละเป็นเครื่องอาศัยเป็นที่พึ่งของชีวิตเราก็ได้มาเปล่งกล่าวเป็นภาษาเปล่งเปล่งกล่าวก็จริงอยู่แต่ก็ควรจะต้องพิสูจน์ความจรงิง พอเราเปล่นกล่าวว่าขอถึงพระพุทธธรรมประสงนั้นน่ะแล้วก็เราก็ขอพึ่งขอพึ่งเราจะได้พระพุทธธรรมประสงค์ของเราหรือไม่เราจะได้พึ่งพระพุทธธรรมระสงค์จริงๆหรือไม่หรือว่าไปพึ่งอะไรอยู่แล้วเราก็นึกว่าเราได้พึ่งพระพุทธธรรมประสงค์พุทธะอัตมาหมายถึงอย่างที่กล่าวแล้วพระธรรมก็คือทั้งคำสอนคำกล่าว ที่เชื่อมต่อออกมาจากพระบรมศาสดาได้เปล่งกล่าวคําสอนออกมาครั้งแรกที่สุดตั้งแต่ธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นคําสอนเริ่มแรกจนกระทั่งถึงวาระที่สุดของพระสมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแล้วเป็นคําสอนของพระสมมาพุทธเจ้าที่หมายถึงพระธรรมคําสอนทําหมายถึงพระธรรมคําสอนทำหมายถึงเนื้อหาของตําราของทฤษฎีของหลักเกณฑ์ของคําบอก คำชี้ความหมายอะไรต่างๆน า, นานาก็ตามส่วนความหมายอีกอันหนึ่งของธรรมะนั่นก็คือสิ่งนั้นทรงขึ้นมีขึ้นทรงอยู่มีอยู่ธรรมะคนมาทําให้ทรงขึ้นมีขึ้นและคนก็ทําให้ทรงอยู่มีอยู่เป็นของจริง หมายถึงพุทธธรรมนั่นแหละหมายถึงพุทธคุณนั่นแหละหมายถึงสิ่งที่พระเจ้ทาท่านหมายนั่นแหละหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าที่ท่านเน้นเอ า, าเป้าประเด็นเนื้อหาหลักอันนี้นี่แหละใครก็ตามที่ได้ฟังคำสอนฟังคำอธิบายฟังหลักเกณฑ์ฟังความหมายอะไรต่างๆแล้วก็เอามาประพฤติเอามาสั่งสมเอามาทาให้เข้าถึงเอามาทาให้เกิดขึ้นอยู่ในตัวในตน เราเราก็ได้อาศัยเมื่อเราได้อาศัยนั่นแหละเราก็ได้อาศัยพุทธธรรมเราได้อาศัยตั้งแต่คําสอนจนกระทั่งมันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสภาวะเป็นอาการกายวาจาใจเป็นอารมณ์จนกระทั่งถึงอารมณ์สูงสุดเรียกว่าอารมณ์นิพพานได้พุทธธรรมหรือพุทธคุณสูงสุดเรียกว่าอารมณ์นิพพานในสภาพนิพพานทางจิตวิญญาณ กายกรรมจะดีอย่างไรวิจีกรรมจะดีอย่างไรที่เป็นกุศลก็ได้สั่งสมอบรมฝึกฝนไปพร้อมกันหมดได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะพึงศึกษาเล่าเรียนและอบรมฝึกฝนเอาผู้ใดทำได้ก็ถือว่าส่์จะเป็นคารวาจะเป็น นักบวชที่ได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้วเรียบร้อยหรือไม่ก็ตามพระพุทธเจา้าท่านหมายเอาอย่างนั้นดังคําที่เราได้สวดอยู่อีอิทปิโสไะโยกระทั้งถึงสุปฏิปันโนบทของพระสงฆ์เนี่ยสาวกสังโฆสาวกสงฆ์สาวะกะสังคโฆบทบทสุปฏิปันโนสุดท้ายที่เป็นสงฆ์สาวกนี่ท่านก็หมายเอาโสดาสกิทาอนาคาหมายเอา สมณะสี่เหล่าโสดาสกิทานาคาอรหรันรือขยายเป็น8ดก็ตามผู้ที่มีคุณธรรมมีเนื้อหาที่เป็นโสดาสกิทานาคาอรหรันแท่นั่นแหละคือสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนอกนั้นยังไม่ได้ก็ถือว่าเ็นสมมุติสอ์เป็นสอ์ตามสมมุติเป็นสงอ์งที่รู้รู้กันทั่วไปได้รูปโดยแบบโดยวิธีการเท่านั้นเพราะในเนื้อหาอของจริงถ้าเราจะได้พึ่งเราก็ต้องเข้าถึงความเป็นสงซะเอง จะเป็นครวา่าจะเป็นผู้ที่ได้บวชก็ตามศึกษาพระธรรมของพระเจ้าที่เป็นคำสอนแล้วก็เอามาทรงขึ้นทรงไว้ให้เป็นให้มีเราทำให้เกิดจริงๆให้ได้แล้วเราก็พอใจที่จะได้พึ่งอย่างนั้นนั้นได้พึ่งคุณธรรมที่พระเจ้าท่านพาเป็นโลกเขาพาเป็นเขาได้พึ่งอะไรเขาพึ่งลาบพึ่งยศพึ่งสรรเซินพึ่งโลกีสุข เขาได้พึ่งแล้วเขาก็พอใจยินดีพอใจในโลกกรรมอย่างนั้นเสื่อมลาบเขาก็ทุกข์เสื่อมยศเขาก็ทุกข์แต่นินทาวา่าร้ายติเตียนเขาก็ทุกข์โลกียสุใดๆที่เขาไปหลงอยู่ถ้ามันเสื่อมคลายไปเขาก็โหยหาอาวอนเป็นทุกข์เป็นร้อน พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เรื่องนี้ชัดเจนว่าโลกียะมันเป็นอยู่อย่างนี้นานนับกับกาหนเมื่อใดเมื่อใดก็เป็นอยู่อย่างนี้นานนับกับการจริงๆเมื่อผู้ใดที่มาขอพึ่งขอเข้าถึงแล้วได้พึ่งได้อาศัยธรรมะที่พระเจ้าท่านตรัสรู้คือโลกุตรธรรมธรรมะที่ออกจากโลกียะแท้แท้ที่เป็นสุขเพราะได้หลับ เป็นสุขเพราะไ ด, ด้ยศเป็นสุขเพราะไดส้สันเซิญหรือเป็นสุขเพราะไปหลงติดลงอะไรก็ได้เสพสมสุขสมตามใจตนถ้ามันไม่สมใจมันพรากมันอ่อนมันจางมันคลายมันเป็นเสื่อมเป็นความเสื่อมราบเสื่อมยศดังกล่าวแล้วมันก็เป็นทุกข์มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดนิรนันดร พระเจ้เห็นอคนเรานี่มันไม่มีเที่ยงแท้หรอกนะมันมีสุขมันก็มีทุกข์มันมีทุกข์มันจึงมีสุขอยู่อย่างเนี้จึงมาหาทางที่จะระงับทุกข์อย่างสิ้นขาดจึงได้ตรัสรู้อริยสัจสี่หาเหตุแห่งทุกข์ไเจอเหตุแห่งทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานตัวที่คนยังไม่ถึงมันแท้ๆนี่แหละยังรู้แม่นรู้มั่นท้าทายให้มาพิสูจน์กันได้ เมื่อใครลดลากลงมาได้แล้วจริงปฏิบัติถูกอริยสัจที่แท้จริงดับเหตุฆ่าเหตุคือกิเลสตัณหาอุปทานลดลงไปได้จริงๆก็จะเห็นว่าสภาพที่มันไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์หรือเรียกว่าวูปุสมโมสุขสุขอีกอย่างนึงย่างไม่ต้องเสพสมเนี่เราจะพึ่งอาการอย่างนี้พึ่งอารมณ์อย่างนี้ พร้มกันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพึ่งแต่อาการอารมณ์ทางจิตแบบฤาษีที่เขาก็มีทิศทางเหมือนกันไปหาความหลุดพ้นแบบสะกดจิตตะ ว, วางเปล่านึกว่ามันไม่มีกิเลสขึ้นมาแล้วแล้วก็อยู่เฉยๆไม่รู้โลกไม่รู้โล ก, กีไม่มีกรรมวิธีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่มีผัสสะเป็นปัจจัยอยู่เหนือโลกไม่ใช่นีโลกรู้กับเท่าทันโลกมีโลกวิทูมีพระหูสูตร เข้าใจโลกว่าเป็นอย่างไรรูปรสกลิก่นเสียงสัมผัสลาบยศสัเสริญโล ก, กียสุขโลกโลกเขาเป็นอย่างไร ร, รู้รู้อย่างรู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่ได้เกิดอาการมีกิเลสกับสิ่งเหล่านั้นตามที่เรียกว่าโล ก, กียะพวกนี้ไม่เกิดแล้วก็จะช่วยคนได้ด้วยสมรรถภาพก็ไม่เสื่อมความสามารถสร้างสรรการงานทำได้ ไม่ได้เป็นภาระแก่ใครไม่ได้เบียดเบียนใครมีอัตตหิอัตโนโนาโถต้นเองก็พึ่งตนได้ต้นเองก็สามารถที่จะคุ้มที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าประโยชน์คุ้มไม่ใช่มาเบียดเบียนมาหนักแผ่นดินมาเป็นภาระสังคมไม่ใช่เลยเดีย๋ยวะมาพยายามที่จะสรุปเนื้อหาแก่นสารของพุทธให้ฟังกันนี และหลักเกณฑ์พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้มันทั้งคุณค่าคุณงามความดีที่เรียกบุากุศล น, นานาประการโดยกายกรรมวจีกรรมที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ที่เรียกว่าคนดีมีด้วยพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดแล้วเราก็มาพึ่งประพฤติกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอย่างใดอย่างใดที่มันเหมาะมันควรก็ปรับปรุงด้วย โดยเฉพาะมโนกรรมที่จะต้องรู้อย่างแท้จริงแล้วก็มีวิธีการที่จะชนะจิตใจตนเองมีอินทรีย์พระมีแรงที่จะทำให้จิตใจตนเองนี่มีอำนาจเหนือสิ่งที่มันเคยชินเหนือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมหรือว่าแม้แต่อารมณ์ที่เราเคยเสพอารมณ์อย่างที่เราเคยจนกระทั่งเหนือว่าไม่เสพแล้วก็มีพลังจิตที่จะผลัก ดันให้ตัวเราเองเนี่ยกระทำในสิ่งที่มันเคยติดเคยยึดเคยเป็นเคยตัวจนกระทั่งไม่ต้องไปเป็นอย่างที่เราเรียกว่ามันเป็นอกุศน์มันเป็นทุจริตมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามก็ปรับปรุงอย่างนั้นมาตลอดอเมื่อคนที่ได้ศึกษาพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างไรอย่างไรก็เอามาอบรมฝึกฝนศึกษาแล้วก็ทำได้จริง ศึกษาเป็นปริยัตเป็นคําสอนมาปฏิบัติเป็นได้ทําได้จนกระทั่งเกิดผลสมบูรณ์ปฏิเวทจนกระทั่งเห็นแจ้งว่าเราเราทำได้และมันก็มีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เราได้อาศัยเป็นผู้ที่ไม่ได้มาเปล่งกล่าวแต่ว่าเราขอเข้าถึงขอมีประพุพะทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเท่านั้นไม่ได้แค่เปล่งกล่าวแต่พิสูจน์ได้เข้าถึงสภาพ แต่มีสภาพนั้นจริงๆมันไม่น้อยเลยคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมากมายคุณธรรมมากมายที่บอกว่าพุทธคุณนี่แหละคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสมศึกษามานานับชาติได้บำเพ็ญกว่าจะได้มีคุณธรรมถึงขั้นเป็นพระสมมาเ ถ, ถารุเจ้าเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ชาติต้อกี่ชาติ ทังสมมาในศาสนาพุทธของเราเชื่อและเห็นจริงอย่างนั้นอาตมาก็เห็นจริงอย่างนั้นอาตมาเองมาสอนศาสนาพุทธในชาตินี้อาตมาไม่ได้มีครูบาอาจารย์อาตมาไม่ได้ศึกษาศ า, าสนาพุทธใครจะรู้จักชีวิตของอาตมาไปสืบได้เลยสืบมาตลอดอาตมาไม่ได้มีเวลาไปศึกษาศ า, าสนาพุทธในชาตินี้ อันนี้อาตมาเอามายกอ้างอยู่เรื่อยๆนะว่าอาตมามีมาแต่ปางบันอาตมามีมาเก่าของเดิมก็อาตมาและอาตมาก็เอามาสอนเอามาแนะนำเอามาอธิบายเอามายืนยันถ้าจะว่าไปแล้วทำไมอาตมาจะต้องมีสภาพอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ถ้านพูดแล้วมันก็มันก็อาจจะคมหรืออาจจะกล้าวมากหน่อยนะ แต่ว่าก็ขอพูดให้ฟังที่ต้องเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอาตมาจะต้องทำได้อย่างเหมาะสมตามฐานะและตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละถ้าอาตมาไปเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์สมัยนี้อาตมาก็จะต้องไปเรียนตามครูบาอาจารย์สมัยนี้อาตมาก็จะไปมีความรู้แบบครูบาอาจารย์สมัยนี้และอาตมาก็จะเอาความรู้อย่างครูบาอาจารย์สมัยนี้มาสอนคุณต่อน หรือไม่สอนคุณต่ออาตมาไปเรียนกับครูบาอาจารย์สมัยนี้แล้วอาตมาก็จะต้องมาสอนอย่างที่อาตมาจะสอนเนี่ยมันก็จะขัดกับครูบาอาจารย์สมัยนี้ก็จะทะเลาะกับครูบาอาจารย์อีกถ้ามันไม่ไม่ค่อยตรงกันนะนะเพราะฉะนั้นก็ชีวิตของอาตมาชาตินี้ยังไม่จำเป็นจะต้องไปมีครูบาอาจารย์สมัยนี้ชาตินี้เพราะไม่งั้นมันจะต้องขัดแย้งกันหนักกว่านี้ นี่ขนาดไม่ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นกลายเป็นคนนอกครูนะขนาดอาตมาไม่ได้นอกครูนะเนี่ยอาตมาอักษรเองนะนี่พูดเองไม่มีครูนะมันยังทะเลาะ ก, กันขนาดนี้เลยถ้าอาตมาที่นอกครูมันจะทะเลาะ ก, กันขนาดไหนนี่นี่ก็อธิบายให้ฟังน่อธิบายให้ฟังอีกลึกขึ้นไปอีกที่จริงสิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตนเป็นเรื่องที่เกินคิดเกินเดา แต่ว่ า, าอาจจมาก็ค่อยๆแง้มค่อยๆอธิบายสู่ฟังถึงการละเวลาก็ค่อยๆเอามาปเปิดเผยมาพูดสู่ฟังมันก็มีผลทั้งสองด้านมีผลทั้งว่าไม่เชื่อถือพูดอะไรไม่เหมือนครูบาอาจารย์ที่สืบทอดกันมาปรมปราตามครูตามบาตามตำราตามอะไรต่ออะไรพูดนอกเขาก็ว่าผิดใช่ผิดจากที่เขาเองเขายึดถือกันอยู่ แต่ที่นี้อาตมาก็มาย้อนเข้าหาว่าสิ่งที่อาตมาพาพาเป็นพาอบรมฝึกฝนนั้นนะ่ะแลวพวกคุณก็ได้ได้สิ่งที่ได้อบรมฝึกฝนนั้นไปนั่นแต่ทำความเข้าใจเรืว่าปริยัตศึกษาเนี่ยศึกษาบัญญัติปริยัตภาษาคำความอะไรเนี่ยศึกษาเป็นทฤษฎีทำความเข้าใจในเรื่องความหมายในเรื่องของอะไระไตรภูนิสก่อนเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณก็เริ่มไปปฏิบัต เอาหลักเอาเกณฑ์เหล่านี้ไปลงมือปฏิบัติประพฤติอบรมฝึกฝนลดละมาปรับปรุงกายวาจาใจมาจริงจริงจนมาทั้งปรับปรุงกายวาจาใจมันก็มาเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละแต่ก่อนนี้เรามีความสามารถเรามีความรู้เราก็เอาความสามารถความรู้ไปทํางานทํางานแล้วก็ได้ลาบแหลกมาได้เงินได้ทองได้ข่าได้ของมาก็เอาเงินเอาทองนั้นมาก็มาอาศัยชีวิตคุณก็ได้อาศัย ตามระบบของโลกียะได้เงินทองมาแล้วก็มาอาศัยก็เอาไปเสพโลกียสุขอะไรอะไรก็ตามใจคุณเถอะคุณก็ทําทํามาแล้วกันทั้งนั้นแหะทุกคนน่ะในที่นี้ทํามากันทั้งนั้นน่ะมากบ้างน้อยบ้างกันแล้วแต่เราได้ลาบเราได้ยศอย่างโลกียะจานโลกียะที่เขาเป็นเป็นเราก็ได้พึ่งได้อาศัยแบบนั้น แต่ทีนี้ต่อมาอาตมาก็มาพาพวกคุณบอกว่าเอาเถอะนะคุณมีความสามารถก็ดีมีความรู้ก็ตามเอามาทำอย่างที่อาตมาพาทำสิอาตมาก็ไม่ใช้ระบบทุนนิยมหรือระบบแลกเปลี่ยนเดลลาฟยศสันเสริญมาเอาบุนนิยมมาทำแล้วก็ให้ลดราคาลงทํางานก็ลดราคาลงความรู้ก็ตีราคาถูกลงแล้วก็ปรับปรุงชีวิตอย่าไปหลงโลกียะโลกียสุขอะไรเป็นอย่างไรบ้างก็บอกให้ลดดูสิ โลกรยสุกนี่เฮล้มไม่ล้างเหตุมันคือไปความหลงอุปทานมีกิเลสตัณหาตัวนั้นฆ่ากิเลสตัณหาอย่างนั้นดูซิก็ได้พาฝึกฝนอบรมมาจนกระทั่งลดโลกรียสุขได้มากบ้างน้อยบ้างตามฐานะที่มันฝึกขัดอบรมกันจริงๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอีกไม่ได้พาหยุดไม่ได้พามาเอาเปรียบเอารัดสังคมให้เป็นหนี้เป็นศินอะไรต่อไป ชีวิตบอกเราชีวิตของคนเราน่ยมันอีกต้องไม่รู้กี่นานับชาติมันจะต้องต่อเนื่องมันจะต้องเป็นบุญเป็นบาปมีผลวิบากต่อไปอีกมากมายพวกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่แต่แรกๆอาจจะไม่เชื่อนักปฏิบัติไปพิสูจน์ไปแล้วคุณจะค่อยๆเข้าใจคุณจะเชื่ออาตมานีนเชื่อเพราะอาตมาเองอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาไม่ได้มีสมบัติ ท, งทางธรรมมาสมัยจะไม่ได้มาาค้นหาเอาสมัยนี้ไม่ได้มาศึกษาสมัยนี้แต่เป็นของที่อาตมามีแต่ปางบันมาแต่สมัยก่อน บอกคุณอย่างเลือกว่ามันก็อวดอุดตอนมนุษยธรรมะนะเขาก็ได้เอาเรื่องเอาราวกับอาตมาอยู่เนี่ยไอเรื่องอวดอวดเนี่ยแต่ไม่อวดก็ไม่รู้จะว่าไงอบอกยืนยันสั ก, ก่อนไม่ได้บวชเพราะอยากอวดไม่ได้อวดเพราะอยากเอากิเลสว่ามันอยากใหญ่อยากดังอยากจะมีบริวารอยากจะอะไรต่ออะไรคุณพิสูจห์ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ทําเพื่อโล ก, กียะ แต่เพื่อยืนหยัดสัจธรรมเพื่อความเป็นจริงเพื่อข่มขีประปวาทะเก่ผู้ที่เข้ามาดูถูกดูแคลนบ้างเมื่อเราได้พิสูจน์กันมาได้อบรมประพฤติปฏิบัติจริงๆเราก็ได้เข้าถึงจริงๆได้เป็นสงสงอย่างมากสงอย่างน้อยก็ต้องเป็นสภาพจริงนะคุณได้คุณธรรมได้มากได้ผล ทีพท่พระพุทาธจ้าสอนอย่างนี้แล้วเราก็เข้าถึงสภาพอย่างนี้จริงๆปรับจิตปรับใจปรับความเห็นปรับความรู้สึกปรับอารมณ์โลกียสุขหายไปเหตุปัจจัยอย่างนั้นเหตุปัจจัยอย่างนี้ที่เคยหลงเป็นโลกียสุขอยู่ก็ลดลงไปหายไปแล้วคุณก็อยู่สภาพวูปสมโมสุขเอ๊ะมันก็สงบระ ง, งับมันก็ดีนะที่อาตมาพยายามสรุปว่าเมื่อเราลดละลงไปได้นี่นะ แต่ก่อนนี้เราก็ต้องใช้แรงงานต้องใช้ทุนรอนต้องใช้เวลาไปเสพสุขเหล่านั้นแม้แต่นั่งโลกีสุขอย่างประเภทที่นั่งสมาธิแล้วก็ว่างวางนี่ก็เสพโลคีสุขต้องใช้เวลานะใช้เวลานะใช้แรงงานเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องไปทำเอามันได้แล้วนี่เป็นอูปสโมสสุขแล้วไม่ต้องไปทำเอาหรอกมันเป็นในตัวของมันเองเสร็จซ้อนอยู่ในชีวิตนี่แหละ คุณเลิกมาเนี่ยคุณจะเห็นได้ซ้ําไปว่าทุนรอนนไ ม, ไม่ต้องหลกลงไปเวลาก็เหลือแรงงานก็ไม่ต้องเอาไปใช้จ่ายยิ่งเป็นโลกียสุที่จะต้องใช้แรงงานร่วมด้วยแล้วโอ้เปลืองเปล่ามากมายก็จะเป็นคนได้กําไรได้ของที่สูญเสียคืนมามากมายโดยเฉพาะเวลาทุนรอนและแรงงานทางกายทางสมองไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกไม่ต้องไปคิดว่าจะง้นอย่า ง, งนี้ไม่ต้องไปวางแผนไม่ต้องไปอะไรต่ออะไร ไม่ต้องไปใช้สมองใช้แรงงานจ่ายเวลาเพื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเลยหยุดมาได้หนึ่งอย่างก็เหลือมาหนึ่งอย่างได้คืนมาหนึ่งอย่างหยุดมาสองอย่างก็ได้คืนมาสองสามสี่ห้าหก็ได้คืนมาเราก็จะกลายเป็นคนมีเวลาแรงงานทุนรอนนี่เหลือขึ้นมาเยอะแยะเสร็จแล้วเราก็ใช้เวลาใหม่เอามาเป็น เวลาที่ทำงานอื่นเอาทุนรอนเอาแรงงานมามาทำเป็นประโยชน์อื่นไม่เป็นสิ่งที่ไปเสพไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างนั้นเราก็กลายเป็นคนมีคุณค่ากลายเป็นคนที่มีสาระแก่นสารเพิ่มขึ้นไม่ต้องเอาเวลาไปสมเรลเทมเอไปเทเดเดเสพโลกียสุติเขาต้องระเริงบเทืงบันเทืองอะไรกันอยู่เยอะแยะ เราจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นว่าเออโลกโล ก, กีมันมอมเมามันหลงระเริงไอ้สุขโล ก, กีจะสุขเนี่ยมันมากจริงๆเราลดลงมาได้มากเท่าใดเรายิ่งจะเห็นชัดเจนว่าโอ้คนเรานี่ยมันตกทุกข์มันไม่พอเพียงมันขาดแคลนมันไม่สมบูรณ์เพราะเหตุนี้พอเราลดลงเท่านั้นแหละเราก็สมบูรณ์ไปบำเรอไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิมเพม่มันไม่มีทางเต็มหรอกถมเท่าไหรไม่เต็มหรอกแล้วมันก็ไม่ไปเฉยสความสมบูรณ์ แต่เราลดเราเราลดลงมาเราลดลงมานี่มันกลับเป็นความสมบูรณ์ไอ้ความเพิ่มกลับไม่ใช่ความเต็มไม่ใช่ความสมบูรณ์ลดลงมาลด h, ลงมากลับเป็นความสมบูรณ์ได้ฟังออกไหมมีสภาวะรองรับไหมเราลดลงมาแล้วกลับมีความสมบูรณ์แต่เราเพิ่มเพิ่เพิ่มนี่โลกนี่ไม่มีแต่ความเพิ่มความเติมแต่มันไม่สมบูรณ์มันทบเท่าไรก็ไม่เต็มมันลหลงไหลระเริงไปกับเขา แม้ในสิ่งที่เราไปติดยึดอยู่ว่าไอ้นี่อร่อยเราก็ต้องหามาให้มันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราลดกิเลสลงไปแล้วดับเลิกมันก็เต็มมันก็ศูนย์แล้วก็เลิกกันอีกไม่ต้องไปหามาเติมอีกอันอื่นๆก็ลดลงไปอีกมันก็ยิ่งเต็มและตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาใช่ยิงลึกไม่ใช่ยิงโอ้โหยิงไกลยิงลึกยิงถมเท่าไรไม่รู้จกเต็มมันยิ่งตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นจริงๆมันยิ่งไม่ต้องเป็นภาระอะไรอีกมากมาย ความเห็นอย่างนี้ในวัติฐิและทฤษฎีให้มันลดมลละเป็นระดับเป็นขั้นเป็นตอนสมควรแก่ทมแต่รฐานะก็มาทำอย่างนี้พิสูจน์กันเถอะว่ า, าศาสนาพระพุทธเจ้าจะสอนอย่างนี้จริงไหมเอาไปเทียบไปไปเคียงกันที่มีมาในเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกกฏตามไปยืนหยักยืนยันกันตรวจสอบเทียบเคียงกันให้จริง แล้วชีวิตของพวกเราเนี่ยก็ถึงว่าไม่ได้มาเปล่งกล่าวว่าพุทธังสรนังคตฉามิธรรมังสรนังคตฉามิอย่างเปล่าได้เป็นแต่เพียงศีและปัตปรามาสเป็นแต่เพียงทํำกันมานานแล้วเป็นจารีตประเพณีแต่จริงๆอยู่ไหนได้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนักเข้ามันไม่พึ่งอย่างนั้นอารัทีนี้อาตมาก็ขออารวาสหน่อยเขาพึ่งพระพุทธอย่างไงก็พึ่งพระธรรมอย่างไรก็พึ่งพระสงฆ์อย่างไรบอกก่อนนะนี่ไม่ได้เจตนารายนะ เมืพูดถึงเนื้อหาก็เป็นอย่างที่ว่าไปนั้นคลาบว่าพึ่งพระพุทธพระธรรมประสงค์ได้พึ่งอย่างไรกันแท้แล้วก็มาพิสูจน์อย่างที่ว่าไปคลาบนั้นแล้ววันนั้นเนื้อหาโลกุตระเนื้อหาแท้ของพุทธศาสนาทีนี้พอมันเพี้ยนพึ่งพระพุทธพึ่งอย่างไรเอาตั้งแต่เละเซะก่อนจะได้เห็นชัดๆพึ่งพระพุทธก็สร้างรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็พึ่งนี พึ่งสารพัดจะพึ่งพระพุทธเอาตั้งแต่รูปแบบง่ายๆก่อนพึ่งพระพุทธเจ้าอย่างก็คือปั้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็เอาขายนี่พึ่งพระพุทธขายมันดื้อๆเลยเป็นสินค้าขายพระพุทธเจ้ากินเลยนี่ได้พึ่งได้พึ่งพระพุทธเื่อกั้นนะฟังอะไรกันน่าเศร้านี่ยพึ่งพระพุทธเขาเอากันชัดๆนเลยนะบอกเราจะอารวาส จะกล่าวเรื่องที่มันตรงกันข้ามันเสียนะมันไม่ได้พึ่งพระพุทธที่ถูกมันไม่ได้พึ่งพระธรรมที่ถูกมไม่ได้ไม่ได้พึ่งพระสงฆ์ที่ถูกเนี่ยอย่างแน่แน่แท้ๆเดี๋ยวนี้ก็หมากไมก้มากายกองโอ้โหมีผู้ที่พึ่งพระพุทธแบบนี้ทําจริงๆเลยนะเนี่ยมีสัน ร, ร้านค้าสนามค้าสนามปั่นสนามปัม๊มลงหลอ่อลงทําอะไรกันอีกพึง่งทำขายกันจริงๆเลยจะเอาแบบไหนนะเอาพระพุทธเจ้าหน้าเหมือนตัวเองก็ได้ น่รับปั้นให้พระพุทธเจ้าหน้าเหมือนตัวเราเองเลยเอาไหมาเอาได้ปั้นให้เลยทํารูปพระพุทธเจ้าขายกันไปเลยศิลปะแบบไหนรูปแบบไหนตลาดชอบปั้นขึ้นมาปั้มขึ้นมาแล้วก็ไปทําตั้งแต่ใหม่ๆจนกระทั่งมันเก่ามันแก่ก็ะเถิบมาเป็นศิลปะโบราณศิลปะเก่าแก่ก็นิยมชม ช, มชอบกันซับซ้อนมาเยอะแยะ แหมรุ่นนั้นรุ่นนี้พุทธรูปแบบนั้นแบบนี้แหมเอามาศึกษากันหวัหวผหัพังเลยนะอาตมาศึกษาศิลปะมันก็ศึกษาซะแย่เหมือนกันโอ้ศิลปะโจละศิลปะปาละศิลปะอะไรต่ออะไรทวาราวดีแหมต่างแต่ไหนแต่ไหนมาในเชียงแสนเชียงเสนอะไรศึกษาท่องอ้ประวัติศาสตร์เอาพระพุทธรูปพวกนี้ามาศึกษาเขาสร้สางแต่ปางไหนอย่างไร ไอศึกษาตอนนั้นหลงเหมือนกันนะอุยได้มานิเศษเศษเก่าๆของเลยไปออกนะออกเจดีออกไปที่ที่มีที่ที่เขาจะมีศิลปะของเก่าของแกพวกนี้ไปได้เศษกระเบื้องหิดแตดส่วนนั้นส่วนนี้ของพระพุทธรูปมังของไอ้นี่มันเก็บโมหงนะขาย <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะ่ะขายกันคนบ้าด้วยกันซื้อกันนะแพงๆนะคนบ้าเดวยกันไม่ได้ซื้อถูกนะ ซื้อกลับไปโอ้โหดิของจะมีของเก่าในรุ่นนั้นรุ่นนี้นี่ของทวาราวดีของสมัยสุขโขทัยของเชียงแสนของอ่างทองอู่ทองของโอ้สารพัดสารเพมปวดกบาลจริงๆแล้วมีปลอมมีไม่ปลอมเลยนะคนไหนตาถึงดูของปลอมออกคนไหนตาไม่ถึงโกงถูกหลอกส่องกล้งสองกล้องสองเงินอู้สารพัดสารเพจะจะเล่นกันนั่นน่ะเล่นกันมาอย่างนั้นน่ะแล้วก็ขายอย่างเนี้ มันก็แฝงน่ยมันไม่ตรงมันแฝงแฝงถ้าจะมองในแง่ดีมันก็ศึกษาประวัติศาสตร์แต่ควรจะเข้าหาเนื้อหาแต่ประวัติศาสตร์ไม่เข้าหาเนื้อหาเข้าหาแต่รูปประธรรมเข้าหาแต่ลีลาอะไรตไรมาพิจารณาเรื่องราวอะไรตไรมันก็ดีรู้ประวัติศาสตร์รู้หลักฐานอะไรตไรบ้างมันก็มีประโยชน์แต่มันมันไม่ตรงมันแฝงนะมันก็ไม่ค่อยจะแม่นถ้าศึกษาก็ดีๆมีปัญญาลึกๆเน่ยมีเวลามากๆก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกัน มีส่วนดีไม่ใช่ไ ม, ม, ม่มีส่วนไม่ไม่ไม่ส่วนไม่ดีแต่ทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวมันกลายมาปั๊มขายจริงๆอ่ะปั๊มขายกันเป็นอาชีพเลยนะนี่เขาได้พึ่งพระพุทธแล้วเพราะเขาขายพระพุทธเจ้าหากินเแล้วพ่อของเขาก็เยอะคือปั่นทุกหน้าทุกรูปทุกแบบเนีพระพุทธเจ้านี่มีหลายพ่อมีหลายหน้าหลายชาติด้วย หน้าแบบจีนหน้าแบบญี่ปุ่นหน้าแบบฝรัง่งหน้าแบบไทยโอ้พระพุทธเจ้าหลายชาติพ่อหลายชาติขายพ่อใหญ่เลยแต่พึงพระพุทธเจ้าแบบนี้นี่เอาอย่างเละๆให้ฟังสักก่อนอ่เสร็จแล้วก็ต้องมีอะไรอะไรผสมนะจะไปพูดดุ ย, ดยไม่เคารพบูชาพระพุทธรูปก็ไม่ได้ต้องบูชาเคารพบทำมีพิธีการมีน้มมีนี่นะ ไม่งั้นมันดูไม่ s, คลังใช่ไหมของไม่น่าบูชาก็เหมือนรูปปั้นธรรมดาก็ขายราคาเหมือนรูปปั้นธรรมดาก็ไม่ดีทีต้องของนี่มันเนือก็รูปปั้นธรรมดานะรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยรูปพระพุทธรูปนี่ต้องเนือรูปปั้นธรรมดาต้องมีคลังมีเครื่องต้องมีไอ้หนุนในนีานานับถือบูชาเคารพขายราคาแพงกว่านะถ้ารูปปัน้นตุ๊กตารูปเท่านี้เท่านี้เนี่ยขายมันได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นที่ไหนแล้วแต่ น, นี่ขายได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะยิ่งไป แนะนำกันโดยของเก่านะนี่ของดังสมัยโบราณนี่หาไม่ได้แล้วนะยิ่งมีน้อยชิ้นเท่าไหร่ยิ่งราคาแพงก็สินค้าสังคมมันก็เป็นแบบนี้อยู่ถ้าพวกที่หลงของเก่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็ว่ากันไปค้าขายกันไปเอาละไม่ต้องอธิบายแง่นี้ต่อไปละขายพ่อกินเนี่ยได้พึ่งพระพุทธเอาทีนี้ก็แฝงนอกจากจะเป็นรูปประทับโดยตรงแล้วทีนี้ก็แฝงพระพุทธเนี่ยนะปั้นพระพุทธเ จ, จ้ามาแล้วก็เสกเป่าทีนี้ แต่นี้ก็ไปอีกละพึ่งพระพุธแบบนี้อีกแล้วเสกเป่าอัดเข้าไปให้มีพลังบรรดาโนนบรรดา น, น, น, น, ดา น, นี้เอาไปแล้วก็แหมนี่ร่ารวยนันี่เมตตามหานิยมบัง่งบั่งเป็นฤทธิ์เป็นเดชออกนอกทางพุธอีกเหมือนกันออกนอกทางพุธอีกเหมือนกันนี่ก็พึ่งพระพุทธห้อยกันธรรมาก็ห้อยกันมาคอแดงมันมากแล้วห้อยพวนยงนี้อย่างนี้พวงนี้อย่างนี้แหมนี่เป็นชุดๆนะ เขามีการไรเรียงกันนี่นะชุดนี้จะมีพระอะไรบ้างเนี่ยจะต้องถือว่าเป็นจะเป็นชุดเดียวกันชุดนี้มีพระอะไรอะไรบ้างโอ้ยสารพัดนับไม่ถ้วนเป็นพระเครื่องแต่นี้มีพระเครื่องห้อยกันไปแล้วก็ได้พึ่งทรา้ห้อยไปเมื่อไรเราสบายใจเดี๋ยวท่านจะช่วยเราไปจีบผู้หญิงก็จะช่วยพระพุทธเจ้าพาพระพุทธเจ้าสังฆานิเสษซะแล้ว อ้าวไปจีบผู้หญิงแล้สังฆาริเศสนะพระนี่ไปจีบผู้หญิงได้ที่ไหนสังฆาริเสษทันทีนี่ไม่ใช่เอาพระไปสังฆาริเสษเอาพระพุทธเจ้าไปสังฆาริเสษด้วยดูสิลากพระพุทธเจ้าไปสังฆาริเศษซะอีก <laughs> ลากไปจีบผู้หญิงไปจีบผู้หญิงก็จะช่วยไปหาเงินหาทองก็จะช่วยให้เราได้รวยไปต่อสู้เขาเราก็จะชนะ อะไราสารพัดสารเพเข้าใจเป็นเรื่องราวเละเทะพวกนี้นี่ได้พึ่งพระพุทธเขาก็จะพึ่งอย่างนี้นี่เขาพึ่งพระพุทธอย่างนี้เยอะเอาละคนค้าขายก็คงจะไม่เยอะเท่าแต่พึ่งพระพุทธแบบนี้เนี่ยลักษณะนี้ฤทธเดชนา ม, มาทําอย่างนี้เนี่ยใครเคยมาแล้วบ้างยกมือขึ้นเอาดีๆนะอย่ากโกหกนะเคยมาทั้งนั้นน่ยไอที่ไม่ยกน่าโง่ไม่รู้ตัวอาตมาบอกให้ก่อนเลย จริงจริงจริง จ, งจงถ้าลงเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วแล้วก็โปรโยาตายายมาก็ต้องสาธุพระเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยช่วยลาบยศเสญโลกียศสูงอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วคนเขาก็เข้าใจว่าคนนับถืออย่างนี้นี่พึ่งพระพูธแบบนี้เขาก็ทํามาสิเนี่ยรุ่นนี้นะขลังนะเนี่ยไปแล้วก็สมจิตสมใจเลยนันี่อยู่ยงคงกรพันก้นเด็ดเมตตามหานิยมก็จริงนะนี่โอ้โหร่ำรวยก็มาเยอะแล้วรุ่นนี้นี่โอ้โห มหาศาลอะไรก็ตามใจมันมีกิตวิยาซับซ้อนไอ้คนรวยนี่นะมันก็มีเงินมีทองเสร็จแล้วเขาก็ทํางานของเขานี่ยแหละตามความสามารถตามฤทธิเตะตามทุนรอนบุญบา ร, รมีอะไรของเขาก็ตามใจเถอะเขาก็จะค้าขายหรือเขาก็ทํางานเขาก็ได้ร่ําได้รวยได้ร่ําได้รวยเขาก็มีเงินมีทองไอ้ที่บอกว่าไอ ความใจเราบอกว่าแหมพระพุทธที่จะช่วยให้ร่าให้รวยให้รวยยศรวยศัก์รวยเงินโดยทองนี่พระเครื่องพระอะไรยังไงยังไงองค์ไหนที่มันก็แสวงหากันใช่ไหมก็มันศรัทธาอย่างนี้เขาก็ไปประมูลกันมาซื้อกันมาไอคนรวยมันก็กล้าประมูลสิเพราะฉะนั้นพระองค์ไหนพระเครื่ององค์ไหนหรืออันไหนที่บอกว่าขลังขลังกันแล้วบอกว่าขลังนั่นี่ไปอยู่ที่คนไหนรวยมันก็จริงนะพระรูปพระองค์ไหนขลังนี่มันจะไปอยู่กับคนรวยขึ้นไปทุกทีอ่ะ เพราะว่าคนรวยเท่านั้นจะซื้อองค์ที่ขังๆนี้ได้ใช่ไหมฟังออกไหมจริงจริงเลยนะบอกว่าองค์นี้ไปอยู่กับใครรวยทั้งนั้นเลยแล้วองค์ไหนยิ่งซื้อไปถุงเท่าไหร่มันก็ยิ่งรวยทั้งก็ใช่ก็ไอ้ ค, อคนมันมีเงินสูงเท่าไหร่มันก็ได้ซื้อไปได้เพราะฉะนั้นไอ้องค์คขังๆจะไปอยู่กับคนรวยหมดเลยแล้วก็แน่นอนเห็นไหมเนี่ยเขารวยเห็นไหมเนี่ยเพราะมีพระพวกนี้จริงเหลือเกินเห็นไหมนี่จิ ต, ตวิยาที่เรานึกไม่ถึงแนละ้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อตามกัน ไอ้คนยิ่งจนไม่มีสิทธิ์เลยพระโพนี้ก็ประมูลไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีอยู่เนี่ยโอ้พระโพนี้ไม่คลังหรอกไอ้ที่มีอยู่เนี่ยไม่คลังหรอกเพราะมันจนหมดเลยเนี่ยมันไม่คลังไอ้คลังก็ไปอยู่ที่คนรวยน่นหมดมันใช่ใช่ใช่ไฟังออกไหมเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันนะฟังให้ดีๆนะมันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยหเห็นไหมไม่ใช่เรื่องจริงหรอก <c oughs> เป็นเรื่องเลอะเทอะเละเทะ อสมมุติว่าคนที่ร่ํารวยนั่นนะเกิดล้มละลายขึ้นมาพระเครื่องที่เขามีอยู่ที่ว่าครั้งครั้งรวยนี่นะใครจะประมูลไปรู้ไหมใครจะประมูลไปรู้ไหมก็คนรวยอีกแหละคนจนมันจะไปประมูลไปได้ยังไงเขาไม่นึกหรอกว่าทําไมพายล้มละลายเขาไม่นึกหรอกเขานึกว่าไอเดียก็เมื่ก่เคยรวยเพราะพระองค์นี้แต่พระองค์นี้สงสัยจะ แกล้งไอ้คนนี้ไปทําผิดแคตยังไงพระเครื่ององค์นี้ไม่ช่วยจะแล้วแล้วก็ไอ้คนที่ประมูลไปก็จะเป็นคนรวยอีกอย่างเก่าอะ่ะนี่เป็ น, เ ป, นเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลของมันธรรมดาธรรมดานะเอาละเาจมาขยายความไปมากกว่า น, นี้มันก็จะมากกว่านี้นี่ว่าเพียงมองให้เห็นมุมมุมเรียมเล็ ก, ลกๆน้อยๆเท่านั้นการพึ่งพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็พึ่งกันอยู่มหาศาลเดี๋ยวนี้มันคือพุทธทินไหน คุณเชื่อหรอือว่าพึ่งพระพุทธเจ้าอย่างนี้คือคำสอนพระพุทธเจ้าเฮเชื่อเหรอ่าชักเก่งขึ้นมานะนี่แต่ก่อนนี่ก็ไม่คิดอย่างนี้เนาะแต่ก่อนก็ไม่ได้เห็นว่าอย่างนี้เป็นความถูกต้องก็ไปเห็นอย่างที่เห็นก็เป็นกันอย่างนั้นกันอยู่มาแต่ไหนแต่ไหนอาตมาก็เคยเป็นอาตมาก็เคยรู้เคยเค ย, เคยนึกอย่างนั้นเคยสมเคยเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็พึ่งพระพุทธแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังหยุดที่ไหน ไม่ได้หยุดเป็นพับประธานเป็นพระอะไรตัวไรระขังแบบนี้กันอยู่ทั้งนั้นเนะ่ยกราบไหว้กันบูชาเคารพเป็นเทวนิยมกันแบบนี้อยู่ทั้งสิ้นนี่ก็พึ่งพระพุทธแบบเทวนิยมมองไปในแง่อีกแง่หนึ่งนะไปในแง่ซับซ้อนนะที่จริงก็เอาละไอ้คนที่มันยังละจางมันยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจอย่างที่เราพูดกันเนี่ยยังไม่เข้าใจนี่เขาจะพึ่งพระพุทธรูปแบบนี้อยู่ก็ยังดี อย่างน้อยก็ยังเป็นพระพุทธยังเป็นศาสนาพุทธยังอยู่ในสังคมของพุทธศาสนิกชนแต่มันก็เรียกว่าแสวงบุญนอกพุทธอยู่นั่นแหละแต่ยังไงยังไงมันก็ยังเออก็ยังไม่จากพุทธไปแต่ถ้าบอกว่าปล่อยให้คนเหล่านี้นี่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นโน้มเน้นอธิบายยืนยันว่าพุทธต้องอย่างนี้แหะต้องมีสิ่งบรรดลบรรดาอย่างเงี้ยพุทธจะต้องช่วยแบบเนี้ยมีอิทธิพลมากมากทุกวันนี้มันมีมากจนอาตมาจะต้องมา ตีแตกกันออกมาบอกอยาไปเข้าจะผิดอย่างนี้นะคนอื่นก็พูดเขาไม่เอาจริงเอาจังเท่าไหร่หรอกเขาก็มองไปในแง่อย่างที่ว่านี่แหละมองไปในแง่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นพูดอยู่ถึงแม้จะเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ยังเป็นพูดอยู่เขาก็จะให้มีอย่างนี้เรื่อยไปที่นี้มีเรื่อยไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นก็มีปริมาณมากอย่างที่มันเป็นเดี๋ยวนีนะ้อิทธิพลพวกมากมันก็ลากไปหมดเลยอาตมาจนจะยืนมาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมเหล่าเห็นไหม มันเป็นอย่างนี้เพราะว่นอาตมาจะต้องแข็งยืนหยัดต้องยืนหยัดต้องทําให้ประจับขณะนี้อาตอมามีหมู่มีพวกแล้วพูกกับพวกคนผู้คุณเข้าใจแล้วบอกไม่ต้องพึ่งพระพุทธอย่างนั้นพึ่งพระพุทธที่เป็นเนื้อหาแก่นสารว่ากรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอาศัยกรรมไม่ใช่ไปอาศัยพระพุทธ ร, รูปอาศัยกรรมกรรมอันดีของเรา จะทำกรรมอย่างไรก็สอนกันแล้วก็สอนกันอยู่แล้วกุศลกรรมอย่างใดเราก็แนะนำกันอยู่แล้วแล้วพิสูจน์สิพิสูจน์กรรมนี่ไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขออยู่อย่างเก่าอย่างเทวนิยมอย่างนั้นแล้วพึ่งพึ่งอย่างนี้เป็นที่พึ่งอย่างนี้เราได้พึ่งในตัวเราเลยเรากลายเป็นสงสเองเรากลายเป็นพุทธสเองเรากลายเป็นธรรมะทรงไวที่เราสเองแล้วเราก็ได้พึ่งอย่างนี้มันพิสูจน์ได้อย่างนี้มันพิสูจน์ได้ พิสูจน์ทันทีแล้วพิสูจน์จะมีเหตุมีผลพิสูจน์จะมีหลักฐานยืนยันด้วยไอย้พิสูจน์อย่างว่าพึ่งฤทธิดเดชพึ่งจะบันดาลให้เมตตามหานิยมบันดาลให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดบันดาลให้รวยราบรวยยศอะไรอย่างเงี้ยนะมันพิสูจน์มันไม่จริงมันไม่แท้แต่ถ้าเราลงมือทํากรรมพิสูจน์บุญแม้แต่บุเพกะตะบุ ญ, ญาตาพิสูจน์จิตวิญญาณเพื่อนฝูง มิตรสหายมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีพิสูจน์คุณธรรมของหมู่ฝูงกันด้วยกันเกื้อกูลกันอันนี้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้นี่พิสูจน์พุทธอย่างนี้โดยมาทำให้มีขึ้นให้ทรงขึ้นมีพระธรรมเนี่ยคือทรงขึ้นที่ตัวเราแล้วเราก็เป็นสงเป็นสาวกพระพุทธเจ้าที่เป็นอริยสงฆ์จรงิจรงๆเป็นอริยสงฆ์โสดาส ก, กิทามีคุณธรรมที่เป็นอริยคุณจรงิจรงๆขึ้นมาจรงิจรงๆพึ่งอันนี้ อย่างนี้เราจะเห็นพุทธขึ้นมาอย่างชัดจะเห็นพุทธขึ้นมาอย่างชัดกว่าเป็นพุทธที่แท้กว่าเพราะว่าพุทธจะแค่รูปอย่างที่อธิบายไปที่อารวาทให้ฟังไปบ้างและพุทธอย่างเป็นความรู้สึกนึกคิดอุปทานพึงริดพึงเดชพึงอะไรอะไรอย่างที่อธิบายไปแล้วอารวาทไปหน่อยแล้วนั่นคุณก็จะเห็นชัดขึ้นว่าพึ่งพุทธ ย, ยังไม่ถูก เพึ่งพุทธยังไม่ถูกเนี่ยก็เป็นเพียงรูปพุทธที่อาศัยอยู่ในรูปจะบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านขลังปรินิพพานไปนานแล้วก็ระลึกถึงท่านแล้วก็บรรดาไม่ไม่เอาพระพุทธรูปก็ได้อ่อนวอนตรงเลยพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ระลึกเอาเองเลยพระพุทธเจ้าหน้าตายยังไงระลึกเอาเองเลยไม่ต้องเอาพระพุทธรูปแล้วก็อ่อนวอนลักษณะเดียวกันเนี่ยเป็นเทวนิยมมันก็เหมือนกันเพึ่งพระพุทธพึ่งพระพุทธแบบนี้เพราะไม่ไม่เอาพระพุทธรูปเอา พุทธะที่เรานึกไปเลยแล้วก็ขออ้อนวอนเทวานิยมขอให้บรรลุ น, นิยมานอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องสร้างกรรมของตัวเองเป็นกรร ม, มสโกมหิกรร ม, มทายาโทรกรรมเป็นของของตนวิบากของตนแล้วเราก็ได้พึ่งกรร ม, มปฏิสรโนได้พึ่งกรรมนี้ของเราเองจริงๆเราไม่ทําอย่างนี้ขอพึ่งอย่มันก็ยังไม่ใช่พุทธที่แท้อยู่นั่นเองไม่ต้องเอารูปพพุทธก็ตามนี่ก็คือพึ่งพุทธ ไ้พู้ที่บอกว่ามีพระพุธไปที่พึ่งแบบนี้ชาบชวยอยู่อย่างนี้เขาไม่ได้ขอะระลึกเท่านั้นเขาปั้นรูปด้วยเสร็จแล้วก็ น, นั่งเข้าไปฝ้อพระพุทธเจ้าที่จุลามณาีก็ไปกราบเคารพเลยเอากาบไว้ยัางอ่ะกาบไว้ยังกร า, าบแล้วพระพุทธเจ้าทรงสีอะไรวันนี้ สนุกนะไอ้ น, นี่นิยายนิยายสนุกแล้วก็ไปพึ่งเอาไปกราบขอเลยจะขออะไรก็ขอเอาขอพบพระพุทธเจ้าแล้วนี่พาไปพบเราเก่งซะด้วยนะพึ่งพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็มีใครเคยไปไปมั่งอะนี่วงไหนมั่งสำนักไหนก็พาไปใครเคยมั่งยกมือทีโอ้หลายคนหลายไปหลายสำนักหรือเปล่านในสงสัยหลายสำนักเหมือนกันมีอย่างเงี้ยพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าก็จะต้องพบกันอยู่แล้วก็ได้พระพุทธเจาพระพุทธเจ้าก็บรรดาโนนนี่อะไรอะไรต่างๆนานาให้นี่ก็เป็นมโนมยอัตตาพึ่งพระพุทธเจ้าแบบมโนมยอัตตาปั้นรูปมาสําเร็จด้วยจิตแล้วก anyway. hmm. ็ไปว่าไปหมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมาบรร don บรรดาลมันก็คล้ายกันนั่นแหละบรรด o n บรรดาลเหมือนกันขออะไรจากท่านเหมือนกันเป็นเรื่องฝันเพ้อฝันฟุ้งอะไรไปตามๆนานานี่ก็พึ่งประพุทธ นี่ก็พึงพระพุทธสิ่งอย่างที่อธิบายไปคร่าวๆแค่แง่แค่เชิงสองสามแง่นี้มีอยู่ในศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยนี่มากน้อยแค่ไหนจะมาพึ่งพุทธอย่างที่เราพาเป็นนี่พึ่งพระพุทธคือจะต้องรู้เลยว่าพุทธนี่คือเนื้อหาแก่นสารที่เป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราตถาคตป่วยการกล่าวไปยัยก็อินหินดินปูน เห็นหมันก็หาว่าอาตมาว่าพระพุทธรูปเนี่ยไม่ว่ า, าไปกราบไปไหว้าทาไมอิฐินดินปูนนี่นมันก็แปลความไปเลยเนี่ยอธิบายกันอย่างนี้เขาก็เอาไปแปลความมาให้ถล่มทลายในตอนนี้ก็ประกาศศนยกรรมกันอยู่ว่าอาตมาเนี่ยจะมาล้มละลายมาล้มล้างาศาสนาพุทธเขาก็ประกาศไปทั่วดูที่เห็นหพระพุทธรูปก็ยังผ่ากันไม่ให้เคารพกราบไหว้าอาตมาไม่ได้พูดสักหน่อยว่าไม่ให้เคารพกราบไหว้พระพุทธรูปใช่ไหมที่พูดมาเนี่ย แต่เขาไปตีความกันไม่ให้ครบอิดหินดินปูนนั้นจะจะไปจริงจังเท่าไรพระพุทธเจ้าท่านอยู่ทั้งองค์ตั้งแต่สมัยที่พระชนชีพยังไม่ได้ปรินิพานไปเนื้อหนังยังบอกว่าเนื้อหนังไม่ใช่ตถาคตไม่ใช่พุท ธ, ธะไม่ใช่เราไม่ได้หมายเอาวัานนี้คือพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะนั้นคือธรรมะผู้ดได้เห็นธรรมพูนนั้นเห็นเราตถาคตเอาทีนี้ก็เลื่อนลงไปหาพระธรรมพระธรรมคืออะไร พระธรรมที่เป็นพุทธธรรมธรรมมาติพุทธเจ้าท่านหมายเป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นแหะเป้ามันกรลึกเข้าไปอีกเอาคําสอนเอาตั้งแต่ทัพรธรรมแปลว่าคําสอนก็เอามาศึกษาแล้วก็วัดกับตัวเองตัวเองฐานะไหนท่านสอนให้ปฏิบัติศีลจะได้ทำศีลข้อนหนึ่งอย่าฆ่าสัตว์มันจะได้มีเมตตาเนี่ยผูกกันสันส้นๆตีความหมายง่ายๆ ก็เอามาปฏิบัติดูซิมันจะเกิดเมตตาอย่างไรไม่ฆ่าสัตว์จะไม่มีเวลานุเวนจะไม่มีเวนไม่มีภัยอย่างไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าอะไรจะไดฝึกฝนอบรมกายวาจาจน ก, กระทั่งจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะเกิดญาณปัญญาเออเราแต่ก่อนนี่เอามหิตโหดร้ายฆ่าแกงสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ฆ่าไปหมดพอไม่ฆ่าแล้วมันอยู่ได้ยังไงชีวิตไม่ฆ่าสัตว์อยู่ได้ยังไงอีกแต่ก่อนนี่ต้องไปจับปลา ไปจับแมงกินนูนไปจับจักกจันมากินอะไรก็แล้วแต่แไปจับปลาวานไปจับช้างจับเสืออะไรมากินก็นตามใจเถอะใครจะกินระดับไหนก็เชิญนักกินมันมีหลายระดับอัตมาเนี่ยในชีวิตนี่ไมไ่เคยกินเนื้อเสือยังเก่งที่สุดก็เคยกินแค่เนื้อควายตัวโตกับเพื่อนโตกับควายช้างไม่เคยกินเลย เนื้อช้างเป็นยังไงไม่เคยเขาว่ามันมีมีแต่ก่อนสมัยหนึ่งขายเนื้อแห้งเนี่ยเขาว่าเขาไปเอาเนื้อช้างมาตากแห้งแล้วก็ปนปนมืนกับเนื้อควายมาขายเนื้อควายซื้อมากินกันอยู่นะเนื้องูเนื้อควายแต่เนื้อช้างเนี่ยเขาว่ามันเป็นหยาบเนื้อช้างเนี่ยอาตมาก็ฟังก็ไปดูมันจริงหรือเปล่าเนื้อช้างอาตมาก็ยังไม่รู้จนกระทั่งเหนื่อนี้ยังไม่รู้ว่าเนื้อช้างแต่มันปลอมปนเขาว่ามันปลอมปนมืนกับเนื้องูเนื้อควายไอ้เนื้อช้างมองดีเนื้อช้างจริงๆแล้วกจริง ยังไม่เคยอ่ะอาจจะเป็นแต่เพียงว่าเขาบอกว่ามันปนปปลอมมากันเนื้องูเนื้อควายเน่ยเป็นเนื้อช้างอย่างที่กล่าวอย่างที่เล่านี่แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าเนื้อช้างมันเอามาตากแข้งปนปลอมมาให้กินหรือเปล่าแค่นั้นในชีวิตที่ผ่านนอกนั้นกินแต่สัตว์เล็กๆกินไปหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยแตามาก็กินตะพืชคนอีสานนี่กินพืกพิลือนะกินสารพัดสารเพลิงเงินคนอีสานนี่คน ภาคกลางนี่เขาไม่กล้ากินมนิสสารหรอกคนนีสสารนมันกินพิลึกกินไอสัตว์ต่างๆนี่กินสารพัดนะอาตมานี่ก็คนอีสารก็นะขี้ควายกองในปั๊บนี่ก็เอาไม้ไปปักแล้วจองไว้ก่อนเลยเนะี่ยเดี๋ยวถ้ามันกินนูนมันมาที่กองขี้ควายเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลงบุลย์เอาแล้วละมือควานเลยมันเข้ามามุดอยู่ในกองขี้ควายเนี่ยก็จับใส่ตะข้องมาละล้างน้ําเข้ากับน้า จะกินยังไงก็แล้วแต่จะก้อยจะผัดจะคั่วอะไรก็ตามใจใเธอทีนี้ก็หลอกกันนัวไปเลยละก็กินกันทางนั้นน่ะแต่แปลกอยู่เหมือนกันอัตมาไม่เคยกินกิ้งกือไม่เคยกินกิ้งกือนะจิ้งจกเคยกินในชีวิตนี้จิ้งจกเคยแมงสาบไม่เคยกินนะไอจิ้งดิจิ้งโกงนี่ไม่ต้องห่วงรากินมันนักในใตีตีตี ตุ๊กแกก็ไม่เคยกินนะไม่เคยกินชีวิตไม่เคยกินตุ๊กแกตะกกแตนเนี่ยมันต้องหวงจับกินมาโอ้โหเป็นลายเวลามันมาเป็นฝูงเนี่ยจับมันเอามา ก, กขัวกอแกงต้จักกระจันเนี่ยให้มันลอองในปากเลยแหละจับ <c oughs> ได้มาสดสมันยังรองแงงแเอาเข้า Suzanne ปากเคียวมันมีกระดูกนี่เขี้ยวอย่างนั้นนะ่ย ก็มันไม่รู้อ่ะแต่ก่อนมันก็ไม่รู้มันก็กินไปสารพัดจนกระทั่งมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มากินมังสวิรัติเขียนมโอ้คนเราเนี่มันไม่ต้องมีชีวิตจะ ต, ต้องไปกินเนื้อสัตว์ทําไมแล้วก็อธรรมหิธร้ายแม้เราจะไม่เป็นคนฆ่าเองก็อย่างที่พูดที่กล่าวเนี่ยเราไม่ฆ่าเองแต่เราก็เป็นส่วนเป็นเหตุให้เขาฆ่าจะปฏิเสธได้อย่างไรเขาฆ่ามาคุณก็ไปเป็นส่วนของกินอยู่นั่นนะคุณกินสดสดได้ไหมเล่า ไก่มันกำลังลองแจ๊กแจ๊กเอามาเคียวเลยเงี้เปล่าเปลาก็ต้องหาอาศัยคนอื่นเขาฆ่ามามากินนะใช่ั้มแล้วเราก็บอกอย่าฆ่าสัตว์แล้วทาไมต้องกินเนื้อสัตว์ล่ะอย่าฆ่านะแต่เวลากินกินไม่รู้ไม่รู้นี่ไม่ได้สั่งให้ฆ่าไม่ได้บอกให้ฆ่ามั น, ม, นมันสลัดไม่ออกหรอกเมื่องเกี่ยวอยู่ อาตอมาเล่าอีกจุดหนึ่งให้ฟังขออภัยแต่ต้องวิจารณ์ไปถึงประเทเวที <c oughs> <c oughs> ท่านแย้งอาตอมาท่านแยกบอกว่าพระโพธิลักษณ์อธิบายมังสวณนิชา น, นะนะคือมันมีมิจฉาวณิชามังสวานิช า, านีาน่คือมิจฉาวานิชชาชนิดหนึ่งคือการค้าขายการซื้อการขายวานิชายวานิพาณิชเนี่ยการซื้อการขายเนื้อสัตว์มังสาก็คือเนื้อสัตว์ท่านก็บอกไปแปลความผิด อาตมาแปลว่าซื้อขายบอกว่าอย่าเห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าท่านห้ามเนี่อุบาสกอุเบกขาที่ซื้อทีขายพระน่ะซื้อขายไม่ได้หรอกมันก็มีแต่อุบาสกอุเบกขาคือครว่เท่านั้นแหละแต่ซื้อจะขายท่านก็ห้ามไม่ให้ซื้อขายนะพุทธศาสนิที่เขาชดทำปฏิบัติทำพระบุทเจ้าแล้วอันนี้เป็นมิจฉานะก็ต้องเลิกมิจฉาทุกชนิดนะก็นี่มันเป็นมิจฉาการค้ามิจฉาชีพอย่าไปขายเนื้อสัตว์อย่าซื้อขายเนื้อสัตว์อาตมาก็แปลว่าอย่าซื้อขายเนื้อสัตว์ ท่านก็บอกแปลผิดว่า น, นิจชาก็ไม่ได้แปลว่าซื้อขายก็แปลว่าค้าขายอัตมาก็ซึ้งจริงๆเลยว่าเลี้ยงไปได้จริงๆเลยเลี้ยงไปได้น้ําไม่ใช่น้ําขุ่นๆเน้นน้าขี้โครนด้วยงุดไปเลยในขี้โครนเลยนะอัตมาอยากรูกน้นกว่าค้าขายมันไม่มีซื้อตรงไหนนะไปตามการค้าขายที่ไม่มีซื้อมีแต่คนขายเท่านั้นไม่มีคนซื้อเลยนี่มันขายกันมันค้ากันยังไง ท่านเลี่ยงเอาปานนี้นะนี่เห็นไหมว่าติดบัญญัติแปลว่านิชชาหรือพานิเตว่าการค้าขายเมื่อแปลผิดแต่ไม่อธิบายความนะว่าค้าขายกับซื้อขายต่างกันยังไนงะไม่อธิบายไปเลยเพราะแปลความผิดมันก็เลยพาผิดไปถึงเนื้อหาหลักนั่นไปโน่นเลยทำให้ศาสนาเพี้ยนเสื่อมไปหมดนี่ก็มันเสื่อมจริงๆละไปมัวแปลผิดอย่างเง้นนะถ้าค้าขายมหมายความว่าซื้อได้เนี่ย ที่ได้ซื้อมาให้เลี้ยงท่านอยู่อะที่มีคนซื้อมาเลี้ยงท่านอยู่เห็นไหมทางก็เห็นไหมาศาสนาก็ไม่เสื่อมนี่ได้กินเนื้อสัตว์อยู่อัตมาก็เห็นว่าอย่างนี้มันไปไม่รอดแล้วก็เพีย้ยนเพี้ยนเบียงเบียงอะไรไปเห็นชัดเจนนะว่าดันทุรังจะเอาชนะคัดคานมันไม่น่าไปถามใครก็ได้ว่าเออการค้าขายมันไม่มีซื้อได้ยังไงนะการค้าขาย จะพยายามอย่างไรจะแปลว่าวานิชผ่านิดเดียว่าเป็นค้าขายโดยไม่มีซื้อขาย้าวาตมาแปลผิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตูไปเรื่อยว่าไปเรื่อยอัตามาก็เห็นจิตเห็นใจรเรอาอเพื่อจะเอาชนะค้าคายโดยแท้มันจะเขาจะทวงจะย้อนมายัางไงก็คิดไม่ออกแล้วตอนนี้มันชักมืดขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้ามันมืดขึ้นมาก็ว่าไปหมด แล้วไม่กลัวเขาจะจับทวงได้เลยเสียนะทำไมเป็นนักวิชาการเป็นนักรูแล้วยิ่งยอยแล้วก็จับมาทวงนี่โอ้โหทำไมตื่นตื่นแค่นี้นไปเสียตื้นตื่นแค่นี้ก็ยังเผินได้แล้วอะไรอื่นๆมันลึกกว่านี้มันจะไปตรงได้ยังไงเนาะแค่ซื้อขายกับค้า ข, า, ขายยังเข้าใจไม่ได้นี่มันจะไปยังไงว่ากันไปแล้วนี่มันโอ้ต่างๆนาน า, นาสารพัดนี่เอาละก็เพอะวิจารณ์ท่านพอหอมปากหอมคอ คือมันใหม่ๆมันมาถึงพอดีมันอธิบายมาก็เลยเล่าสู่กันฟังจะได้เข้าใจอีกนิดนึงเนี่ยพเราเราก็จะได้เข้าใจอาตมาก็ยังเห็นว่าท่านยังมีแนวคิดที่ลึกดีเหมือนกันนะในหลายๆายอย่างแต่ทําไมบางอย่างก็ตื่นบางอย่างคนลึกเอออันนี้กลับมาถึงเนื้อหาของมันนะปฏิบัติศีลพระเจ้าจะเกิดธรรมล้วก็จะได้พึ่งธรรมเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ได้พึ่งซี้ว่าาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ซื้อเนื้อสัตว์ มิจฉาวณิชาไม่ซื้อเนื้อสัตว์มากินไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ซื้อแล้วจะรอกินเนื้อสัตว์เมื่อมันตายเองอก็ใครจะยังอยากกินอยู่ก็รอเนื้อขายเนื้อมันตายเองหรือว่าเดินสัตว์กินระวังอย่าไปแย่งจากปากเสือก็แล้วกันรอเนเลเดินสัตว์กินเลยไปแย่งจากปากเสืออัตมาไม่แนะนํำนะอย่าไปว่าที่ปากเสือเลยไปแย่งปากหมานี่ก็ลองดูฮ มามันกำลังกินเนื้อนี่อยู่แล้วคุณก็ไปย่งจาปากหมาก็ลองดูกัแลวกันเออมันจะไปนสนุกอยู่ตรงไหนอะ น, นะเมื่อเรามาพิสูน์แล้วว่าเราไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็จะได้เกิดธรรมะเหมือนกันเมื่ออธิศีนมันลึกซึ้งขึ้นว่าเออเราปฏิบัติสีน ะ, ะอธิบายเข้าใจแล้วนะมีเหตุมีผล น, นะลองดูไม่กินเนื้อสัตว์ดูมันจะเกิดเมตตาไหม คุณเคยรู้สึกไหมเวลาคุณมาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วแต่ก่อนนี้คุณไม่มีจิตอย่างนี้เลยนะคุณเห็นปลาแต่ก่อนนี้ถ้าปลามีไข่ด้วยแล้วก็เฮ้ยมันรู้สึกอย่างหนึ่งเลยแหมปลาตัวนี้อ้วนพีมีกําลังท้องไข่เต็มท้องด้วยนี่คุณรู้สึกยังไงแต่ก่อนเนี้ยมันว่ายอยู่ลออยู่เนี่ยเป็นยังไงก็นึกถึงหม้อกแกงใช่ไหม <c oughs> นึกออกไหม อา้าจริงๆนะอาตมาวิเคราะห์ห้คุณฟัง่คุณลองคุณปฏิบัติแล้วคุณจะรู้สึกจริงๆนะสมัยที่เรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยเราเห็นปลากำลังท้องโตแหมมันเหลืองเลยนะโอ้โหมันไหอยู่นี่มันยังไม่ตายนะเป็นๆแทนที่คุณจะสงสารมันนะคุณจะนึกถึงหมกแกงคุณจะนึกถึงว่าโอ้โหนี่นะอะไรมึงนะทแกงชนิดไหนได้บังนะุนะณก็จะนึกถึงไปอย่างนั้น แต่พอคุณมาปฏิบัติทำแล้วไม่กินเนื้อสันแล้วคุณจะเคยบ้างไหมละ่ะพอเห็นปลาทองเนี่ยเราจะนึกถึงเหมือนคนทองเราจะโอ้โหสงสารมันมันน่าจะได้คลอดจะได้อะไรนะจะได้กระจายพันอะไรอะไรออกไปก็จะมีชีวิตลูกมันอยู่ในท้องอีกตั้งเยอยต่างแยะคุณจะรู้สึกอย่างนี้ต่างกันเลยใช่ัหมนี่เมตตาธรรมมันผิดกันความรู้สึกเมตตามันผิดกันอย่างนี้จริงไหมฮะ มันต่างกันเห็นไก่ตัวอ้วนพีไก่ตอนมันมีชีวิตมอแต่ก่อนนี้เห็นมันก็อือฮึอีตัว <Columbus> น entonces, <ๆ>ี้เนี่ยนะแกงหลายหม้อนะนี่นะแต่เดี๋ยวนี้เห็นไก่อ้วนไก่ตอนอะไรก็เออเองก็อยู่หงแกเองก็อยู่ห้งเองไปเหะเห็นหมูเขาเลี้ยงโอนาะมันก็ร้องก็กินแล้วก็ก็บำรุงมันให้มันอ้วนมันพีเออ ถ้าเห็นไปยิ้มไปดูใกล้ๆจิๆตจิตเราจะเห็นพวกเลี้ยงหมูหมูตัวไหนมันผอมมันคนเขาจะไม่ค่อยรักมันนะนะเจ้าของเลี้ยงมันก็ไม่ค่อยผอมมันมีโรคมีภัยอะไรก็อถูกแกล้งถูกอะไรไปเลยตัวไหนอ้วนๆก็ดูดีแวเอาใจใส่นะคุณไปดูละเอียดละเอียดสิคนเลี้ยงหมูเนี่ยเพราะตัวอ้วนๆพีๆราคามันก็จะแพงใช่ไหมน้ําหนักมันก็จะขึ้นดีอะไรต่างๆนา น, น า, นนานไอตัวไหนผอมๆมันก็อย่างนั้นแหะ คุณก็จะไปเห็นว่าเออไอคนพวกนี้นี่นะมันไม่มันไม่ได้รักหมูล็อกนั่นน่ะจะเห็นซ้อนขึ้นไปอีกมันไอคนเลี้ยงหมูมันเห็นหมูตัวอ้วนมันก็ดูดีมันก็รักตัวหมูอ้วนอประคบประงมดูแลไอตัวพร้อมตัวมีโรคมีพยาธิมีนวด ม, มีนี่ก็ยิงไม่ดูดำดูดีอะไรต่างๆนั่าดีมีดีขาทิ้งก่อนเลยคุณก็จะรู้สึกไอพวกนี้นะมันไม่ได้เลี้ยงเพราะรักมันไม่ได้เลี้ยงเพราะอะไรคุณก็จะ รู้สึกใจเรานี่มันต่างกับไอ้ที่แต่ก่อนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็กินเนื้อสัตว์ไอ้แต่ก่อนกินเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ไม่กินเนื้อสัตว์มันจะต่างกันนี้เป็นต้นเห็นมดเห็นแมงเห็นปลวกเห็นสัตว์นนสัตว์นี้อะไรต่างกันเห็นสัตว์ที่มีพิษด้วยซ้ําแต่ก่อนนี่ถ้าเห็นสัตว์มีพิษเราจะไปเหลือเหรอใช่ไหมเห็นตะขาบแมงป่องเห็นงูเห็นเงี้มาไอ้งูบางเยอะที่มันไม่มีพิษนะตายเพราะไอ้เรานึกว่างูมันมีพิษทุกตัวเนี่ยงูนี่มันซวยจริงๆเลย ขอใน้มเป็นสัญชาติงูเถอะมีพิษไหมมีพิษตายเพราะเราทั้งนั้นแต่ก่อนนี้เราก็ฆ่าแหลกเลยนะไม่ได้ละเว้นอะไรทั้งนั้นไม่ละเว้นจริงๆนะยิ่งมีพิษมีภัยแล้วยิ่งกลัวไปก่อนเลยฆ่ามันทันทีเดี๋ยวนี้เราก็มีความสามารถรู้ว่าเออเองก็อยู่ของเองเนนะข้าก็อยู่ของข้าเอาเองไปปล่อยไกลๆอย่ามายุ่งกันข่าไม่ไว้ใจเองอ เองเล่นฆ่าข็ให้บางทีฆ่าก็ตายอะไรต่างๆนั่นนะถึงอย่างนั้นเราก็ยังอุตสาหะได้ออย่าไปฆ่ามันทันทีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเห็นไหมแต่ก่อนเราไม่แต่ก่อนเรากินเนื้อสัตว์เราจะไม่รู้สึกอย่างนี้ฆ่าสัตว์เราก็ไม่จะเป็นอย่างนี้ฆ่าแลกเดี๋ยวนี้พอไม่กินเนื้อสัตว์ถือศีลถือธรรมอะไรขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ขึ้นอย่างไว บางคนมันกินเนื้อสัตว์อยู่เขาถือศีลข้อหนึ่งเคร่งครัดเหมือนกันแต่จะไม่ไวเหมือนอย่างเราเพราะเราถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยนี่ศีลข้อหนึ่งเนี่ยจะพัฒนาอย่างที่อาตมาอธิบายนี่ไวจะเกิดธรรมเมตตาธรรมจะเกิดการเกื้อกูลจะเกิดการอะไรอะไรพวกนี้เมตตาธรรมจะเกิดไวปฏิบัติศีลที่เคร่งครัดเป็นอธิศีลอย่างนี้อธิธรรมก็จะไวจริงๆนะจริงๆนะ อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราปฏิบตัติศีลนี่แหละเพื่อทำศีลข้อหนึ่งก็ดีศีลข้อสองก็ดีศีลข้อสากด็ดีปฏิบัติขึ้นไปแล้วก็จะส่งทำขึ้นมาแล้วเราได้พึ่งพระธรรมได้อาศัยพระธรรมไม่ใช่เป็่งกล่าวแต่ว่าขอถึงเข้าถึงพระธรรมพระธรรมก็ไปเอาคาถามาท่องเอาบทสวดมาเอาเอ า, เ, อาเดียเดี๋ยวเอาเนื้อหาพระธรรมก่อนแล้วค่อยอารวาสพระธรรมอารวาสพระพุธไปแล้วเดี๋ยวอารวาสพระธรรมก็อเอาเนื้อหาเอาเนื้อหาพระธรรมกันก่อน เราได้พึ่งพระธรรมอย่างนี้มาปฏิบัติศีลแล้วก็เกิดทำธรรมะอันเป็นความอมหิตโหดรายศีลข้อนหนึ่งนโทสักลดละความโทสักโหดร้ายทารุณศีลข้อสองนี่ลดความโลกมันอัินนาทานมันจะต้องเอาของเขาถึงขั้นเป็นขโมยอยากได้ของเขาจัดจ้านไม่มีเงินไม่มีทองหรือแม้มันมีนิสัยขี้ขโมยก็ตามไปเอาขโมยเอาของเขานี่มันไม่ไหวนะไปเอาของที่เขาไม่ได้ให้ เขาไม่ได้ยินดีจะให้เขาก็รักของหงหงแหนของเขามันเป็นเรื่องของความแตกแยกทะเลาะเบาแวงฆ่าแกงกันในสังคมอย่าไปเอาของเขาของรักของของใครก็ของเขาเราอยากได้เราทำเราเองทำไม่ได้ตรงๆก็ทำอย่างอื่นแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนเอาไประบบแลกเปลี่ยนก็มีอยู่ดูแม้ที่สุดซื้อขายก็ทำเอาท่านท้งสอนได้มีสัมมาอาชีพศีลขอสองให้ทางาน ทำงานทำการสร้างสรรค์ขึ้นมาเราก็จะเอาไปแลกไปเปลี่ยนหรืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เอาไปแลกเปลี่ยนเอาหรือทำเอาเองเลยสมาธิว่าทําตรงๆเลยอยากได้ไอ้นี่ก็ทําขึ้นมาเองเลยให้ทํางานนั่นเองทํางานไม่ใช่โลกาการทํางานไม่ใช่ความโลกมันมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายมีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์อันนั้นขึ้นมาก็สร้างสรรค์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาไม่เอาไว้เลยก็ยังได้เลยใช่ไหมเมื่อศึกษาดีๆแล้วสร้างขึ้นมาแล้วก็ แจกจ่ายจืจานไปเลยไม่เอาไว้เลยก็ย <inter Hob bies> <yi> ังได้เลยจะโลภเลิกอะไรมันเป็นของตัวของตนมันเอาเป็นของตัวของตนม่นเด่งห่วงแหนเป็นของตัวของตนสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้คนอื่นได้อาศัยยิ่งมีภูมิธรรมโอ้ยสร้างขึ้นมาแล้วยิ่งแจกจ่ายเจือจานให้ผู้อื่นได้ใช้ได้สอยเป็นคุณค่าประโยชน์เรายิ่งเป็นคนมีคุณค่าเราก็ยิ่งสบายใจกว่าสบายใจยิ่งกว่าแม้สร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนเอกเกินราคาทุนอีกส่วนที่ซ้ำสร้างไอ้นี่ขึ้นมาทุนร้อย เอามันเกินอีกเนี่ยโอ้แต่ก่อนไม่เคยเข้าใจอย่างนี้นะนึกว่าเราเก่งนึกว่าเราได้เปรียบนี่มันวีเศษไปโน่นอีกไม่รู้บาปรู้บุญนะใช่มไหมพอต่อมามาศึกษาทฤษฎีหลกักๆที่อาตมาพูดมามากแล้วพวกคุณก็ฟังแล้วก็เข้าใจดีเพราะว่ามันศึกษามาตั้งนานแล้วคนใหม่ๆก็ฟังงงงหน่อยเหอะก็ฟังงง ง, งงก่อนทุนร้อยแล้วก็ไปขายต่ํากว่าร้อยก็เป็นกําไรยิ่งต่ํากว่าเท่าไหร่ยิ่งให้ฟรีเลยได้เราก็เป็นคุณค่าประโยชน์ สมบูรณ์เต็มที่เท่านั้นเท่านั้นเราก็เข้าใจว่าเออเรามีทำอย่างนี้แล้วเราได้ท้าทายคุณพึ่งสิพึ่งลักษณะที่คุณสร้างสรรค์แล้วก็แจกแจกจ่ายเจอจานเกื้อกูลกันนี่แหละโดยไม่ต้องไปเอาเปรียบอรัตกันนี่แหละในสังคมที่คุณเข้าใจกันเองว่าคนเหล่านี้เกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันแจกจ่ายเจอจานกันเนี่ยคนสังคมอย่างนี้นี่สร้างสังคมอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆ แล้วก็คุณจะทดสอบตัวเองไปอยู่กับสังคมที่มันจะต้องเอารัดเอาเปรียบกันอยู่นั่นแหละแลกเปลี่ยนก็แลกเปลี่ยนอยเพลอนนะทีใครทีใครจะเพลินะอยู่ด้วยกันนั่นแหละค้าขายด้วยกันมั่งเพื่อนอะไรกันกันมั่งเอาแหละซ้อนก็อยู่อย่างนั้นน่ะใครเคยค้าเคยขายเคยแลกเคยเปลี่ยนมารู้ดีนะมันไม่ซื่อไม่ตรงกันทีเดียวหรอกแต่อย่างนี้เราจริงใจกันซื่อตรงกันให้มากขึ้นเจอจานเกื้อกูลกันนี่แหละโดยไม่ต้องไปเอาเปรียบเอารัดกันนี่แหละ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 มันไม่ซื่อไม่ตรงกันทีเดียวหรอกแต่อย่างนี้เราจริงใจกันซื่อตรงกันให้มากขึ้นมันมีอะไรไม่ซื้อตรงก็แลกเปลี่ยนไม่ใช่แลกเปลี่ยนนะเปืือแผลเลยแหละแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลกันอย่างนี้นี่คือคุณธรรมไม่หวงแหนไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวเป็นการเกื้อกูลเผื่อแผ่แจกจ่ายไม่โลภแก้ตัวไม่โลภนี่แหละ สังคมที่มีพฤติกรรมความไม่โลภยิ่ง ม, มีคนไม่โลภอยู่กันมากมีพฤติกรรมคนไม่โลภอยู่ด้วยกันขยันมันเพียนบอกแล้วสัมมาอาชีพต้องทํางานการศีนกสองนี่ยืนยันว่าต้องมีงานการเรียนกันมานะเนี่ยเบนจะทำสีก็หนึ่งเกิดเมตตาทำสีก็สองเกิดสัมมาอาชีพเกิดการงานเกิดการทําการงานเบนจะทำนี่ แล้วเราจะอุดอมสมบูรณ์เราจะร่ำรวยเราจะไม่ต้องสะสมด้วยที่อาตมาพ า, พาศึกษาพาอบรมพาฝึกฝนเนี่ยแม้ในที่สุดไม่สะสมด้วยซ้ำมีการสร้างสรรค์แล้วก็ไม่สะสมอีกหรือซ้ำถ้าทายพิสูจน์ธรรมะอย่างนี้เอาละสี่ข้อ3ามข้อสข้อห้าเขาไม่มีเวลาที่อธิบายต่อต่อไปแล้วปเดี๋ยวมันก็จะยกตัวอย่างมากศีลข้อมากข้อนักก็ละวิธีฐานที่เข้าใจเป็นนยยะแนวทางคล้ายกันอย่างนี้ เราพิสูจน์สิคนที่มีศีลข้อสองไม่ขโมยขโจรสร้างสรรต่างคนต่างทำแม้ไม่มีก็เกื้อกูลกันได้แจกจ่ายกันได้ขอกันได้สังคมคนอย่างนี้จะเป็นอย่างไรคุณจะมีความรู้สึกเองคุณจะมียานปัญญาเองว่าโอ้สังคมที่มันแย่งชิงกับสังคมที่เกื้อกูลกันอย่างนี้อันไหนมันน่าอยู่กว่ากันเราเองก็มีบุญมีคุณ แล้วคนอื่นก็ u, กรู้จักบุญรู้จักคุณมันลึกซึ้งเข้าไปอีกเป็นคุณธรรมที่ซ้อนเชิงเข้าไปอีกเป็นธรรมะสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวนี้เป็นธรรมะเราได้อาศัยธรรมะที่มีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทรงขึ้นที่ตัวเราทรงขึ้นที่หมู่ฟูงเป็นพุทธศาสนิกชนหลายๆคนพิสูจนธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้เข้าถึงมีเข้าถึงแล้วก็จะได้พึ่งเราก็พึ่งเพื่อนฟูงก็พึ่งด้วยกันต่างคนต่างพึ่งกันได้ด้วยเราพึ่งตนเอง คนอื่นก็ได้พึ่งเราเราก็พึ่งคนอื่นเป็นกรรมปฏิสรโนหรือเป็นสรนังที่พึ่งนี่แหละธรรมังสรนังคัจฉามินี่แหละเข้าถึงแล้วก็ได้พึ่งอย่างนี้นี่แหละพิสูจน์พิสูจน์ให้มีของจริงความจริงอย่างที่กล่าวนี้จริงๆเลยแล้วก็เทียบเคียงกันดูนี่คือพระธรรมนี่คือธรรมะที่เราจะเข้าถึงพระธรรมได้พึ่งพระธรรม จนกระทั่งเป็นชีวิตเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นกลุ่มชนพุทธบริษัทขอให้มีเนื้อธรรมคุณธรรมธรรมะอย่างนี้แล้วเร า, เราพึ่งดูสิจะได้พึ่งขนาดไหนอย่างไรเทตมาขอยืนยันนี่นี่คือพระธรรมเนื้อแท้ยิ่งเป็นผู้ที่ไร้ไร้ความโลภสูงเข้าไปอีก เป็นคนไม่มีความโลภเลยแต่ขยันหมั่นเพียสรสัมมาชีพทําการงานสร้างสรรค์อยู่จริงๆมีคนแยงมาว่าที่อาตมาบอกว่าเอาไอ้กองขี้ควายแล้วก็เอาไม้ไปปักจองแล้วก็ไปเก็บเอาไอ้แมงที่อยู่ในนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่แมงกินนูนแมงกุดจีอ่าถูก ตระ ก, กูลเดียวกันนะไอตัวเล็กตัวแบบมันมันคล้ายๆกันนะ่ะนะแมงกุฎ จ, จีแล้วก็ทุกนะแหมเรียกผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ยอมนะตระ ก, กูลกินนูนนั่นแหละกินนูนน้อยตัวโตก็มีนะฮะกินนะูนกะินใบไม้อนะ้าเขาว่าใหวาอะไรอ้านทะุกอาตมาผิด <c oughs> แุจเออภาษาภาคกลางมันไม่คอยรู้เรื่องกับเขาหรอกมันไม่คยเรียงไม่ค่ยถูกแล้วเพราะมันไม่ค่อยจะถนัดมันมีหลายพันหลายอย่างโอ้เยอะแยะคุณอาตมา ก, ก็ลืมหมดแล้วเดี๋ยวนี้เอาเข้าเรื่องใหม่อันนี้มันแซมมา <c oughs> คุณธรรมหรือพระธรรมที่เมื่อได้อบรมฝึกฝนปฏิบัติแล้วทั้งกายวาจาใจเป็นคุณธรรมอย่างนั้นเราจะได้พึ่งคุณธรรมกายวาจาใจอย่างที่กล่าวไปคร่าวๆนั้นคุณจะเห็นว่าเป็นความดีงามเป็นความประเสริฐของมนุษย์หรือสังคมมนุษย์ที่มีคุณธรรมอย่างนี้แหละอย่างที่อาตมากล่าวคร่าวๆนี่ยิ่งมีมากกว่านี้ลึกซึ้งซับซ้อนด้วยคุณจะตอบตัวเองคุณจะเห็นตัวเองเลยถ้าคุณมีาญาณปัญญาโอ้อยางนี้เป็นน้าพึ่ง หน้าอาศัยหน้าอบรมหน้าฝึกฝนหน้าสร้างคุณธรรมนี่มาไว้แก่กันอะกั น, กนแม้แต่ตัวเราเองก็ควรจะเพิ่มพูนคุณธรรมทรงไว้ทรงขึ้นกายกรรมวจีกรรมโนโมกรรมที่สอดคล้องเป็นคนขยันมันเพียรเป็นคนไม่มีกิเลสโลภไม่มีเห็นแก่ตัวเชื่อาจารย์แจกจ่ายเ อ, อื้อเฟื้อเมตตานี่แหละเนื่องกันกับเมตตาค้อตนด้วยอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันจริงๆรงิอื นี่เป็นธรรมะแม้จะขยายความไปเป็นสงคือผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พุทธธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆได้อาศัยเป็นสง์ที่มีมรรคมีผลเป็นสง์ที่มีธรรมะที่แท้ไม่ใช่ธรรมะอย่างเปลือกเปลือกผิวๆอย่างนอกกรีดซึ่งแสวงบุญนอกพุทธนะขอบเขตของพุทธเป็นไปนได้สิ่งที่แปลกๆปลปอมๆ อ, อย่างพึ่งพระพุทธอธิบายมาแล้ว นี่เรามาอารวาสพระธรรมดูสิอรวาสพระธรรมนิดนึงทุกวันนี้คนพึ่งพระธรรมตั้งแต่พระธรรมเป็นรูปคาถาคําสอนอย่าง ต, ต้นตอเราแปลแล้วว่าพระธรรมคือคําสอนตั้งแต่เปล่งออกจากพระภาษาของพระุทธเจ้าจนเอาคําสอนนั้นเข้ามาประพฤติตามของพระพุทธเจ้าท่านก็มีของท่านแล้วทรงไว้ซึ่งคุณธรรมทั้งหลาย เมื่อท่านเริ่มต้นบรรยายออกมาว่านี่คือพุทธธรรมนี่คือมรรคทางปฏิบัตินี่คือผลของพุทธธรรมอธิบายมากมายหลากหลายแล้วให้คนไปประพฤติตามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนทรงขึ้นได้ขึ้นก็เป็นธรรมเนื้อหาจากคําสอนก็เป็นเนื้อหาเป็นสภาวะที่เป็นจริงเป็นเนื้อหาแท้ขึ้นมาแล้วได้พึ่งอย่างนั้นเป็นสงอย่างนั้น อาทีนี้พอบอกว่าคําสอนพระธรรมคือคําสอนจากพระพุทธพจน์จากพระโอษฐคนก็ก็เอาคําสอนมาท่องมาเรียนเรียนแล้วก็เป็นคนท่องคําสอนมากเรียนคําสอนได้มากก็พึ่งพระธรรมคําสอนโดยการเอาพระธรรมคําสอนไปสอนต่อไปสาธยายต่อ คนอื่นก็เห็นว่าโอ้นี่ท่านสอนดีสอนถูกเขาเอาไปประพฤติได้มักได้ผลคนที่ได้แต่สอนสอนสอนสอนตัวเองไม่ปฏิบัติจำได้มากท่องพระพุทธพจน์ได้ก็มากทรงจำไว้ก็มากะสอนผู้อื่นอยู่ก็มากๆแต่ตนเองไม่บรรลุทำอะไรไม่ได้มักได้ผลอะไรไม่ได้ปฏิบัติอะไรได้แต่สอนเขาก็ได้พึ่งพระธรรมเหมือนกันพระธรรมอันแปลว่าคำสอน สอนให้คนอื่นคนอื่นเอาไปปฏิบัติด้วยซ้ำนะผู้สอนนี่ไม่ได้มักได้ผลแต่คนอื่นที่ได้รับคําสอนที่ถูกตรงไปจากปากผู้ที่สอนนี้สอนถูกต้องเขาก็เข้าใจเขาก็เอาไปปฏิบัติได้มักได้ผลดีด้วยซ้ําไปเขาก็เชื่อถือเขาก็เคารพเป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาของมาเลี้ยงดูอาศัยไว้ก็ได้พึง่งได้อาศัยลาภยศสันเสริญโลกีสุขจากการสอนนั้นการพึ่งพระธรรมแบบนี้มีมาแต่ไหนแต่ไหน อพอคนก็เคารพนับถือมากๆขา่าวทีนี้ก็ชักแก่กล้ามีผู้เชื่อถือมั่นคงขึ้นบรรยายไปบรรยายมาท่องคําสอนพระพุทธเจ้ามาเท่านั้นไม่พอบรรยายเองประกอบบรรยายขยายความเองประกอบเพี้ยนไปเพี้ยนมาเพราะไม่มีคุณธรรมแท้ไม่มีตัวสภาวจริงมันเพี้ยนได้มันก็เลยเพี้ยนขึ้นมาเรื่อยๆคำสอนเหล่านั้นก็เป็นคําสอนที่พึ่งคําสอนเพี้ยน จนหนักเข้างมงายกันทีนี้งมไงแล้วนะทีนี้อรารวาสต่อไปอคําสอนนั้นถือเป็นคาถาเป็นของขลังแบบเดียวกันกับพระพุทธรูปขลังทองคาถานี้ก็แก่โนนแกนี่ได้ทองคาถานี้ก็เป็นเมตตามหานิยมทองคาถานี้ก็อยู่ยงคงกระพันทองคาถานี้ก็จะบรร d o บรรดาลอะไรให้เราอีกก็ลกลายเป็นคาถาเป็นคําสอนอย่างนี้กัน เราก็เด็กท่องกันมาเกือบทั้งนั้นแหละคาถาที่บอกว่าสาธุเล ย, เยอย่างน้อยก็นโมตัสะระหังสัมมาอะไรก็แล้วแต่คาถาไหนาที่ก็ว่าคาถานั้นดีคาถานี้ี่ดีจะเมตตามหานิยมจะช่วยให้เราพ้นทุกข์แคล้วคลาดอะไรอะไรต่างๆนานาสารพัดก็ใช้คาถาในท่องพึ่งนี่ก็พึ่งนอกพุทธเอาไปสอนหากินหนึ่งมันก็นอกพุทธอยู่แล้วจริง ยิงเอาไปท่องคาถาออกอย่างนี้อีกนอกรีดเลยนอกความหมายนอกเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเลยทีนี้ขึ้นสมัยใหม่นอกจากท่องจําได้เอามาขยายความบรรยายเป็นเล่มๆเล่มๆขายไดๆทีเป็นนักครูโดยนักวิชาการขายพึ่งได้ตําแหน่งยศศักดิ์ได้อะไรแต่ไรนี่ยเขาให้โอ้โหใบรับรองเป็นผู้รู้มากมายกายกองขายหากิน ได้ลาบได้ยศได้สันเสริญโลกีสุขเพราะเก่งในคำสอนรู้มากในคำสอนแล้วก็เอาคำสอนนั้นมาสาธยายเองแปลเองทำอะไรต่ไดไปขยายความตามความ ค, คิดเห็นของตนถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่รู้ไม่มีใครตัดสินะ่ะก็เพึ่งพระธรรมแบบนี้กันเดี๋ยวนี้มีไหมมากไหม เป็นราชบัณฑิตเป็นนักครูเป็นนักวิชาการของทางด้านศาสนาทางพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเยอะแยะอยูอย่เดีย๋ยวนี้เอาละคนที่ถูกมากหน่อยก็ดีคนที่ผิดมากไปก็ไม่ดีใช่มคนที่อธิบายผิดมากๆก็มันก็ไม่ดีทำให้ศาสนาเพี้ยนไปทำให้ศาสนาเสื่อมไปทำให้รรมวินายปริปริตไปต่างๆนา น, น, นมีกันอยู่อย่างนั้นเยอะแยะมากมาย เสร็จแล้วก็คนที่ไม่รู้ตามก็เอาไปพึ่งยิ่งผู้ใดที่อยู่ในสังคมเขานับถือชูเชิดเข้าใจกันก็เชื่อตามกันไปแล้วก็เอาตามกันไป อ, อย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อะไรก็กตัดสินไปในตัวด้วยเชื่อตามกันผู้ที่เขารับทับถือว่าเป็นครูรู้ตัดสินมาเอาตามพระธรรมยิ่งมากมากกว่าพระพุทธอีก พระพุทธยังเป็นพระพุทธรูปก็ยังอย่างงั้นนะพราะธรรมนี่แหละตัวสําคัญที่ทําให้ศาสนาเพี้ยนทําให้ศาสนาเสื่อมมากยิ่งกว่าพระพุทธเป็นพระธรรมคำสอ น, เ ป, นรรญญเป็นคำบรรยายเป็นคําอธิบายเท่านั้นแล้วก็พูดไปสารพัดสารเพอธิบายสารพัดสารเพยิ่งเดียวนี้เป็นสื่อสื่อทางพูดสื่อทางเขียนสื่อทางอะไรอะไรออกมาให้คนอื่นเขารู้ได้ยิ่งมากยิ่งไม่ออกนอกรูนอ ก, นอกทางเยอะแย ะ, ย ะ, ยะไปหมด เลยพึ่งพระธรรมที่ไม่ใช่เป็นพุทธธรรมเลยเป็นธรรมวิปริฏเยอะมากมายแล้วก็พึ่งกันอยู่ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้โลกรีสุกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่พึ่งพระธรรมเอาธรรมมาเป็นแหลกได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญโลกยสีสุไม่ใช่พระธรรมยิ่งคนเอาเป็นแหลกลาบตรงๆแหลกเงินแหลกท้องแหลกข้าวแหลกท้องมาล่ํารวยยิ่ง คนอื่นก็เชื่อถือก็ยิ่งโอ้โหยิ่งเขียนยิ่งบรรยายยิ่งอะไรต่ออะไรได้มากได้ค่าเทค่าบรรยายได้เป็นหนังสือหนังหาได้อะไรต่ออะไรมากมายยิ่งไม่ได้เรื่องแต่ถ้าบางคนยังบอกว่าเออเขียนก็เป็นพุทธเป็นธรรมะเพื่อผู้อื่นไม่เอาเงินเอาทองไม่เอาลาบอะไรแต่เอายศก็มีนะเขียนให้เป็นที่เรื่องลือเป็นที่กวางขวางเป็นในเชื่อถือไป ลดลาบซะอย่างนึงโอ้โหซ้อนเชิงนะโก้เป็นกองเลยนะโอ้คนนี้ท่านไม่ขายไม่ค้าหรอกพระธรรมท่านไม่เคยเทศเอาเงินเอาทองแต่ได้ยศนะได้ยศสักขึ้นมาสูงสูงสูงสูก็เยอะเอาเราบางคนก็บอกไม่ได้ยินดีด้วยยศยศหรอกลาบก็ไม่เอายศก็ไม่ได้ยินดีเอาสรรเสริญเด็ดังโอโเป็นผู้รู้ผู้ดังก็อาศัยสิ่งนั้นอยู่พอพออดพอลดได้ไม่รลำไม่รวยพอมีพ อ, พ อ, พอกินมี อลังการเพราะวันดังได้รับคำสรรเสริญเป็นผู้รู้ผู้ะไรคนก็มาอุดหนุนคนก็มาเลี้ยงดูไว้ไม่ขาดไม่แคลนเหมือนกันยิ่งดีนะถ้าใครที่ลดลาบยศได้ยิ่งเหลือเอาแต่สรรเสริญนี่โอ้โหคนยิ่งนับถือมากนะจริงเห็นตัวอย่างอยู่ะจะเป็นอะไรจะได้อะไรจะมีอะไรก็ได้ง่ายได้แต่ก็เป็นโลกีสุขชนิดหนึ่งที่ยังติดสรรเสริญดังแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันไม่ได้ปฏิบัติจริง ไม่ได้พิสูจน์จนกระทั่งได้ปรมามัตธรรมจ ร, จริงๆเอาแต่เนื้อหาของคำสอนเฉยๆมันก็ไม่ค่อยลึกซึ้งไรมันก็จะเป็นการอธิบายเองแม้จะดูยากไม่เบี้ยวมากไม่ตีความเลอะเทอะอะไรเกินไปก็ตามมันก็จะมีสิ่งที่มันยังไม่มีเนื้อหาถ้ามีเนื้อหาสภาวะแท้เราอ่านเนื้อหาออกมาเป็นภาษาคนนี่นะจะเป็นภาษาอะไรของชาติไหนก็แล้วแต่คุณถนัดอะไรคุณสื่อภาษาที่ ถูกต้องตรงแล้วมันก็ไม่เพี้ยนอะไรหรอกะแม้จะอธิบายแปลบาลีออกมาต่างๆแต่ว่าเนื้อหามันไม่ได้ต่างไปจากเป้าหมายหลักมันก็ไม่อะไรมากมายนะเพราะในพระธรรมนี่ก็พึ่งพระธรรมกันอยู่เป็นคําสอนบ้างเป็นคาถาไม่เข้าเถ้าไม่เข้าทาไม่เข้าทางบ้างแล้วก็เอาพระธรรมคาสอนนี่มาค้ามาข า, า, ขายเหมือนพระพุทธอีกเหมือนกันคายกันค้ากันจนกระทั่งร่ารวยกันก็เยอะแยะมากมายอ่า ก็พึ่งพระธรรมได้นั่นน่ะได้พึ่งนั้นน่ะอาศัยอยู่อาศัยกินนะไม่ใช่ไม่ได้อาศัยอยู่อาศัยกินจนแม่ก็ทั้งมาบวชอยู่แล้วนี่ก็ได้แต่ทองป้ายคาถาก็ไปสวดมนต์ให้ฟังเสร็จแล้วก็ได้รับทองได้รับเงินได้รับทองสวดขยันสวดแย่งกันอยู่ทุกวันนี้วัดวาต่างๆจัดคิวไปกันเยอะจัดไม่ได้บ่อยอันนี้ฉันไม่เคยได้ไปนี่ก็ทะเลาะเบาแวงกันอยู่เนี่ยคิวไปสวดคาถานี่แหละไปสวดพระธรรมนี่ไปสวดคําสอนนี่แหละ สวดมั่งคนสวดนี่เยอะเดี๋ยวนี้ไอ้เขียนเขียนนี่มันก็น้อยคนแต่ขยันต้องมีความสามารถมีภูมิธรรมบ้างเขียนออกไปค้าไปขายนี่ก็ไม่ในมากมายนะแต่สวดนี่สีเยอะสวดพระธรรมคําสอนพระเจ้าจไปหากินง่ายๆบทพระธรรมคำสอนจากพระเถปิฎกก็มีแต่งใหม่ก็มี12ตํานานเจ็ดตำนาน12ตํานานหรือว่าตำนา น, น, า น, อ, น, านอื่นๆได้ๆอีกกว่ากันไปก็ไปทองกันแล้วก็พึงพระธรรม คนที่ได้ท่องพระธรรมนี่ก็ได้อาศัยพระธรรมน่ะหากินอยู่พึ่งกันอยู่างเงี้ยอยู่ได้รักษาชีวิตไปเลี้ยงชีวิตไปอย่างนั้นมันก็ไม่อยู่เท่านั้นแล้วนะมันก็หลงคลั่งหลงอะไรผสมผสานอยู่คนที่ไม่เข้าถึงธรรมมันก็จะออกนอกกรีดนอกทางไปอยู่เรื่อยๆพึ่งภาษาคาถาขั้งคลั่งเคืองอะไรด้วยแล้วก็เอาไปท่องสวดมนต์สวดอะไรนี่หากินไปเรื่อยๆตลอดชีพเลยตั้งแต่บวชจนกระทั่งแก่ตาย ก็เรียงกันอย่างนี้พึ่งพระธรรมนั่นและพึ่งพระธรรมโดยเฉพาะในสายเป็นนักบวชนี่พึ่งพระธรรมอย่าหาวัตมาปากจัดเลยนะไม่ได้เจตนาว่าหรอกแต่ว่าภาษฎยาเรื่องจริงให้ฟังนี่พึ่งพระธรรมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่รอดไม่ได้สภาพจริง ไม่ได้เอามาประพฤติปฏิบัติจริงมันก็ไปไม่รอดมันก็ไม่ใช่พระธรรมที่แท้ไม่ได้พึ่งพระธรรมที่จริงท่องไปเทดิดเมื่อขึ้นเมื่อไรากับพุทธทังสรนังธรรมังสรนังคัจฉามิเป็นทุติเป็นตติไม่รู้วันหนึ่งกี่ทุติกี่ตาติก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่ได้พึ่งพระธรรมนอกจากไม่ได้พึ่งพระธรรมแล้วเอาพระธรรมไปหากินด้วยไปปูยีปูยำพระธรรมดีไม่ดีไปอธิบายเองอีกอตามภูมิตามความรู้ความเห็นของตนเองก็เลิศเถอะ เพระพระธรรมเสื่อมด้วยแล้วอาศัยพระธรรมอย่างนี้ก็ไม่ใช่อาศัยพระธรรมได้พึ่งพระธรรมได้เข้าถึงพระธรรมก็ไม่ได้เข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมก็อย่างที่กล่าวแล้วต้องเอามาคาความเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้สมตัวเองให้เหมาะควรกับตัวเองแล้วก็ได้คุณธรรมขึ้นมาจริงๆมีมีโลกุตตรธรรมหรือมีปรมัตธรรมที่แท้จริงทรงขึ้นลดละจางคลายจนกระทั่งเราได้พึ่งธรรมอย่างที่เป็นโลกุตรธรรที่พูดไปแล้วนี่อารวาสในฟังบ้างแล้ว พราะพระธรรมทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรต่าง ๆ, างๆ น, านานาสารพัด ท, ทองสวด อ, อ่อนวอนร้องขอมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรต่ออะไรกันอยู่มากมายพอเรามาพูดอย่างนี้ขึ้นมาอธิบายอย่างนี้ขึ้นก็นหาว่าเรามาล้มมาล้างาศาสนาพระพุทธเจ้าอัตมาแน่ใจและยืนยันเลยว่าอัตมาไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นอย่าตัวอัตมาเลยมันบาปอัตมาไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ ที่พูดอยู่นี่ก็พูดด้วยไม่ได้ไปโกรธไปแค้นไปเครืองอะไรหรอกไม่ได้ไปเจตนาจะไปว่าไปกล่าวอะไรหรอกแต่พูดสาระให้ฟังว่าศึกษาดีๆนะอย่าให้เป็นบาปเลยศึกษาไม่ดีเดี๋ยมันก็เป็นปริญญาพียนเป็นปริญญาที่มันบาดมือเหมือนกับกรรำใบคาลูดแล้วมันก็บาดมือได้เพราะกรมไม่แน่นกำไม่แม่นกำไม่ถูกเป้าก็เหมือนกับศึกษาพราะธรรมไม่ถูกเป้าไม่แน่นไม่ตรง ไม่แม่นไม่คมชัดมันก็เบลอก็เพี้ยนไปมากบางน้อยบ้างพระธรรมก็เลยไม่เป็นพระธรรมที่แท้จริงก็ไม่ได้พึงพระธรรมที่แท้จริงแต่ขายกินด้วยแต่ทําลายลักษณะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเอามาให้คนอธิบายให้คนรับไปเป็นคําสอนก็ดีเสร็จแล้วเอามาปฏิบัติที่ตนตนเองก็ได้พระธรรมทรงไว้ทรงขึ้นเกิดมีในตน แล้วเราก็จะยิ่งเห็นลึกซึ้งยิ่งจะอธิบายนี่ถูกเพราะมันมีสภาวะรองรับนี่ยิ่งอธิบายได้ชัดอธิบายได้ดีเข้าใจได้ครบรอบดีครบพร้อมดีเป็นสงสาวพระพุทธเจ้าที่แท้ขึ้นแท้ขึ้นแท้ขึ้นแท้ขึ้ น, น, น, รนเราก็คือผู้ได้พึงพระพุทธได้พึ่งพระธรรมเราก็เป็นสงเข้าถึงพระสง์เข้าเป็นความเป็นสง เป็นอริยสงฆ์เป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันเป็นสง์ที่เป็นสมณะชั้นหนึ่งชั้น2ชั้น3าชั้นสขึ้นไปจริงๆก็ยิ่งจะพิสูจน์เลยว่าได้พึ่งคุณธรรมของพระพุทธเจ้าได้พึ่งได้เข้าถึงเป็นสงจริงจริงได้พึ่งความเป็นสงนี่จะไล่ออกมาออกจากความเป็นสงไมาเห้เรียกสงแล้วมาให้เรียกพระมาให้เรียกภิกษุดันผ่าตีเขไปเรียกสมณะพอไปเปิดตําราสมณะมันเป็นพระนิวา สมณพราหมณ์ไปเปิดพราหม์อ้าวพร า, มไปไปราหม์แปลว่าพระหันอีกวะยิย่ง <c oughs> ไปกันใหญ่เลยเอทำยังไงกันละ่ะตีอัดเราจนจะทั้งไม่มีทางเลือกเลยนะนักพรตก็ไม่ให้เรียกนักบวชก็ไม่เห้เรียกอะไรนี่ไปใหญ่เลยไอเราก็อเอา เ, อเอาเถอะเอาเถอะจะเอาอยัางไงก็เอาเถอะไม่เหีเรียกอะไรก็แบะบะแบะเอาแล้วกันก <c> า <oughs> ไม่รู้จะว่าไงไม่ให้เรียกตัวเองว่ายัางไงยังไงเลย เรียกท่านเฉยๆก็ได้การโพธิรักทันธิระจิตโตท่านอนุตตโรทันวสวรติโกคำว่าท่านเอาไปอี ก, ก็ให้มารู้กันไปไม่ต้องเรียกสมณะไม่ต้องเรียกพระไม่ต้องเรียกภิกษุอะไรก็ท่านคำเดียวนี่นะก็ได้ไมันต้องอยากต้องเย็นอะไรนะเพราะเรามาเป็นให้ได้มาเป็นพระมาเป็นภิกษุมาเป็นสมณะมาเป็นผู้เป็นสง์ของพระพุทธเจ้า ทรงธทำขึ้นจริงๆมีพุทธธรรมนั้นถูกเป้าแม่นเป้าจริงๆขึ้นมามันแยกกันไม่ได้เห็นว่าพุทธธรรมสง์มันแยกกันไม่ได้ตราบใดที่พุทธังสมยังไม่แยกกันที่ไม่แยกกันหมายความว่าเราเข้าใจเป้าหมายแท้คือพุทธแล้วเป็นคําสอนและเป็นสิ่งที่จะต้องมาทรงขึ้นในได้ธรรมะจนทรงขึ้นจริงเราก็เป็นสงๆๆๆมันแยกกันไม่ออกนะท<ๆ>ายทอดไปเรื่อยๆ เมื่อใดเมื่อใดก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆสืบทอดไปยังมีสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกตรงได้มากได้ผลได้เนื้อหาของพุทธธรรมนั้นอยู่ตลอดเมื่อไรเมื่อไรนั่นก็คือมีพุทธศาสนาอยู่เมื่อนั้นเมื่อนั้นยิ่งมีปรมัตถึงสมณะหนึ่งสมณะสองสมณะสมสมณะสเป็นพระอริยะระดับยิ่งสูงกันเท่าไหร่ศาสนาก็เหลืออยู่อย่างเนี้ยเหลืออยู่เพราะความจริงที่มันเกิดมันมีได้พึ่งได้เข้าถึงจริงๆได้พึ่งพาอาศัยจริงๆ คุณจะเอาไวมล่มาเป็นสงได้แล้วอย่างนี้แล้วก็มาพึ่งพาอย่างนี้แหละสง์ที่จนกระทั่งค้นไปเป็นนักบวชน่ะขอว่าหน่อยเธอจะจับเขาคุกก็เอาเรียกมั่งจนได้เป็นนักบวชจนได้เป็นพระแต่เป็นภิกษุได้เป็นสง์ได้เป็นสมณะของพระพุทธเจ้าที่จริงเลยเนี่ยได้จริงจริงนี่จนกระทั่งอยู่ทั้งรูปทั้งแบบด้วินยัยกาหนดรู้ไม่ใช่มายึดมั่นถือมั่น ยึดมั่นสมาทานเราสมาทานที่จะนุ่งห่มผ้าอย่างนี้กาสาวพัดมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นตัวอย่างแบบอย่างอยู่อย่างนี้ให้รู้ว่าตัวอย่างแบบอย่างอย่างนี้น่าเคารพนับถืออย่างไรเป็นผู้ที่อบรมศึกษาฝึกฝนอย่างไรจะดูแล้วจะดูสงบระงับอย่างไรคนที่ยังเป็นฆราวาสมีกิจมากธุระมากอะไรก็ว่ากันไปซ่อนเชิงอย่างนี้ให้มันมีทุกฐานะ พระรัตนตรัยก็มีครบนี่แม้จะไ ล, ล่เราออกจากพุทธสังขรันตน์ตาก็จะขจัดก่อนนจะไม่มีสังขารัตนะไม่ให้มีพระไม่ให้มีพิกสุไม่ให้มีสงฆ์โอ้โหรายอโมหิตจริงๆนะจะไล่ออกจากพุทธด้วยสํัมเจตนาเนะี่ไปตั้งรัทธิใหม่สิคุณตั้งได้คุณก็ตั้งสิมันไล่เราไปตั้งทําไมเนาะ เออเราก็รู้ว่าเราเองเราไม่ได้มาตั้งรัฐธิใหม่มาตั้งศาสนาใหม่มันลั่งไล่เราไปตั้งแล้วคุณเองคุณเก่งกว่าเราเองเนี่เห็นว่าชนะอยู่นี่นะเราก็แพ้ๆอยู่เนี่ยคุณชนะด้วยตั้งหน่อยสิตั้งรัฐธิใหม่นะ่ะแน่ยังไงเชียวจะมาตั้งรัฐธิใหม่มาตั้งศาสนาใหม่มันง่ายอยู่เลยอัตมาม่กล้าแมมีบังอาจรอกท่านบังอาจท่าน ท, ทําเถอะมันยัดเยียดในคนนั้นคนนี้เขาเป็น คือพูดแล้วช่างไม่คิดถึงตนไม่คิดถึงเขาไม่คิดถึงเราอะไรพูดกันอ ม, มหิทธ์จริงๆใจอ ม, มหิทธ์จริงๆจะยึดาศาสนาพุทธไว้อันเดียวไปของเดียวของของคุณตัวของตนเท่านั้นอาตมาเองก็คาคอนะยังไม่รู้ว่าใมีผู้แนะนําว่ามัเป็นไรแล้วเขาไล่ออกจากาศาสนาพุทธเราก็มามีศาสนาสมณะโคดมก็แล้วกัน มันไม่รู้จะทํำยังไงเพราะอาตมาไม่พูดก็ไม่ได้ก็พูดขอ ง, พ, พ, องอรรพระพุทธเจ้าต้องเอาตำราพระพุทธเจ้าต้องเอาหลักฐานของพุทเจ้านี่แ่ะมาทําอยู่อาตามาก็ยังจําไม่ได้หมดก็ต้องอาศรรัยคําหลักคําสอนมากล่าวชี้นะมีอุเทศอันอุเทศนี้ของพรุทธเจ้าก็เอามาชี้มาขยายเอามาชี้แจงเอามาขยายความยกหัวข้อหัวหลักอะไรขึ้นมาขยายความสู่กันฟังอยู่นี่อาตมามันจําไม่หมดหรอกทําไม่ได้ก็ต้องอาศัยของพรุทธเจ้าอยู่เนี่อาตมาก็ว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็จะไม่ให้เป็นอีกแก ไม่สงวนลิขิตจริงเจ้าถ้ามันหนักหนาสากานคงก็จะต้องเลียงอย่างว่าเอาละไม่เป็นไรแล้วอัดเรามาทางด้านโน้นจริงๆแล้วจะต้องออกมาเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งก็ขอเป็นศาสนาสมนคโคดมกันแล้วกันเฮ<ะ>เรียกยังไงโอยดีเลยมันไม่รู้จะทำยังไงนะมันแหมจริงๆนะเจ้าพระคุณเอ้ย แล้วหวงอะไรไว้ก็ไม่รู้ห่วงแต่ภาษาเนื้อหามันก็ไม่มีมีก็บอกไม่ได้ซะด้วยนะเลยไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีมีอุตริมนุษธรรมมีเนื้อหาแก่นสารบอกไม่ได้พูดไม่ได้ลัทธิบอกไม่ได้ไอเรามาลัทธิบอกได้แต่มีเงื่อนไขนะไม่ใช่บอกเปล่าไปบอกไม่เข้าท่าเราก็เอาปรับปรายิกเหมือนกันแหละ พระุทท่านสอนไวดีแล้วสวาคขาธรรมท่านตรัสไว้ดีแล้วคําสอนของท่านดียังมานั่งตัวก็อวดไม่ได้ถ้าบอกว่าพุทธเจ้า ส, สอนอุตริมุลุศทำอวดไม่ได้เนี่ยมันตูคําสอนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นอวดได้แต่ต้องมีเงื่อนไขไม่มีจริงในตนนะี่ยอย่าไปอวดไม่มีในตนแล้วก็ไปอวดเข้าวแล้วก็ปราชิกท่าเดียวมีในตนก็อวดให้เหมาะให้ควรให้ดูการละเทสะฐานะบุคคลอะไรให้มันพอเหมาะสมให้เป็นคุณค่าประโยชน์ อวดได้แล้วพระเจ้าเจ้ายังตรัสอยู่ตลอดเวลาแล้ว่าคนที่อวดมันมีอยู่จังห้าประเภทนะหนึ่งคนโง่เงาความรู้น้อยอวดสองคนมีกิเลสแน่ๆอยู่แล้วอวดมีกิเลสโกหกเขาอะไรต่างๆนานาสองสคนบ้าอวดเมือนบ้ า, าบอกเป็นพระสีอ่านโดยซ้ำไปบบ้าบออวดนคนบ้าซีคนหลงตน นึกว่าตนมีคุณธรรมนึกว่าตนมีอุตริมนุสธรรมมันก็หลงตนจริงๆพระพุทธเจ้าทํำไมเอาผิดนะคนบ้าเป็นตน้นคนหลงตนเป็นต้นทํำไมเอาผิดนะหคนที่มีจริงๆนะอวดนี่นะห้าประเภทนี่อวดอยู่อวดไม่ได้ยังไงมันอวดอยู่คนบ้ามันยังอวดเลยแล้วว่าไม่ได้อวดไม่ได้มันอว ด, ดมันก็อวดอยู่นั่นนะ่ยส่วนคนลาโมกอนาจารมีจิตลาโมกอวดอ้างเพื่อเล่ยโกหกเพื่อต้องการลาบยศอะไรต่างๆนานาสารพัดก็เอาเถอะ ไอ้เงี้จับได้ก็จับปราชิกไปเลยมันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าจะต้องจับปราชิกหรือคนความรู้น้อยโง่เง่าพลาดพลั้งเข้าไปกับปราชิกได้เหมือนกันนะในข้อหนึ่งเนี่ยคนโง่เงาความรู้น้อยก็ไปอวดไม่เข้าท่าตัวเองไม่มีจริงๆเพล่เพล้ยความรู้น้อยระวังนะคนที่ยังไม่ฉลาดแท้เดี๋ยจะไปอวดไว้ก่อนดีถ้าไปอวดไว้แล้วก็ผิดผิด พ, พ, พลาดพอพิจารณาเขาเฮ้ยนี่เขาขายปราชิกก็เสร็จนะ ทําไปเล่นไปเถอะความรู้น้อยโง่งมงายอยู่บ้างนะอย่าอยากอวดไม่อยากอวดไว้ก่อนน่ะดีแล้วอย่าไปอวดไม่อยากอวดไว้ก่อนละดีแล้วถ้ายังเจตนาอย่างข้อสองแล้วก็แน่นอนประราชิกชัดๆในข้อ2ในข้อหนึ่งนะี่ะโง่เงาความรู้น้อยนี่บางทีก็ถึงขัน้นประราชิกบางทีก็ไม่ถึงต้องพิจารณาตามขั้นตอนตามเงื่อนไขายตามความเป็นจริงพิสูจน์กันแต่อย่างข้อสข้อ345สหนี่ย ไม่อาบัตคนบ้าก็ไม่อาบัตปวดยังไงก็บ้าๆนี่ไม่เอาไงกับเขาอ่ะหรือคนหลงตัวจริงๆหลงตนจริงๆก็ไม่เอาอาบัตคนมีจริงสิอาจจะอาบัตได้อาบัตปาจิตตีคนมีจริงอาจจะอาบัตปาจิตตีได้ก็ให้ระมัดระวังมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท่านใ ห, ให้ตรวจตราอย่างนี้เป็นต้นนะ เขาเคยปรับอาตมาเหมือนกันนะปรับว่าเป็นคนบ้าเขาก็บอกก็ไม่บ่าน ะ, ะเคยไงเจ้าคุณสมพลกระนาพนเ า, าวิกลจริตหรือเปล่ารับหรือเปล่าว่ิกลจริตทวิกลจริตก็รอดตัวเขาว่าอาตมาก็คงไม่รับแล้วว่าอาตมาบ้าเนาะเพราะอาตมามันไม่ได้บ่าจะไปรับได้ยังไงว่าวิกลจริตก็เลยยังไม่รอดตัวเพราะไม่รับว่าบ่าหลงตัวเขาไม่พูดแท้ไม่เคยพูดนะหลงตนหรือเปล่าเรา่มีหลงตนเ้าก็ ปรับไม่ปรับอาบัตินะผ่านไปเหมือนกันหลงตนว่ามีก็ได้แต่เขาไม่กล้าพูดพอาะาพ้พูดอันนี้นะมันเท่าก็ช่วยอาตมาเลย <c oughs> อเออจริงหรอกแต่หลงตนนะอาจจะหลงตนก็ได้อาตมา ก, ก็ยังไม่ว่านะว่าเออก็เข้าใจว่าอาตมาหลงตนสักก็ได้ทีนี้ก็มาคบหาคนหลงตนบางที มันพอมีเนื้อหาอะไรบ้างไหมมันหลงตนจริงหรือเปล่าแล้วว่ามันพอสอนได้หรือมันพอแนะนําได้มันพูดคาถาอยู่ไงคนหลงตนนิ่งว่างกันนะก็ลองดูสิพิสูจน์กันต่อไปมันจะหลงตนแล้วมันจะมีจริงนั่นก็เข้าขายอันนี้หลงตนเรื่องมีจริงกัก็ตามพิสูจน์เพราะฉะนั้นธรรมะขั้นโลกุตระขั้นอุตริมนุสธรรมธรรมะขั้นสูงธรรมะขั้นเหนือมนุษย์ที่เป็นไปได้นี่แหละเป็นโลกุตระธรรมเนี่ย ไม่ใช่โลกียะอย่างโน้นนะค่อยๆ อ, ออกมาจากโลกียะเป็นขันข้นๆตอนๆที่อาตมาพาทำรรกันอยู่แล้วพาพิสูจน์กันอยู่แล้วแล้วก็จะได้พึ่งได้เข้าถึงเมื่อก็ได้พึ่งไม่ได้เข้าถึงเมื่อก็ไม่ได้พึ่งคุณเข้าถึงวินาทีไหนเข้าถึงคุณธรรมที่คุณปฏิบัติได้ในวินาทีไหนกายกรรมคุณได้ชั่วขณะหนึ่งก็ได้พึ่งขณะนึงเป็นกุศลธรรมวจีกรรมก็เป็นกุศลธรรมขณะหนึ่งจิตยิ่งถึงขั้นปรมัติจิตเป็นจริงได้ชั่วขณะหนึ่งแวบบนึง ก็คุณก็ได้พึ่งมันทิ้งจิงๆิงปัจจุบันใดปัจจุบันนั้นยิ่งได้พึ่งกันนานโดยติดต่อกันไปเลยได้พิสูจน์ถึงความเป็นอยู่ด้วยคุณจะชัดอาตมานี่ยอาตมามีสิ่งนี้แล้วมันชัดนะอเราได้พึงพระธรรมพระพุทธเจ้าอะไได้พึงพระพุทธของ ขอพระพุทธเจ้าที่สอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราเห็นพระธรรมไม่ใช่เห็นธรรมดาเห็นด้วยญานยานทัศน์เห็นโอ้ความละความพนความว่างความจางความคลายความวิมุตติความหลุดมันเป็นอย่างนี้มันได้พึ่งอย่างนี้มันสบายอย่างนี้เขาด่ามาแล้วคนก็ไม่เชื่ออู้หูกดเก่งเก็บกดเก่งควบคุมอารมณ์ได้เก่งแค่นี้ก็ชมแล้วนะ ชมว่าควคุมอารมณ์ได้เก่งนี่ก็ชมแล้วนะจริงไหมแต่ยังอาตมาไม่ต้องควบคุมเลยอาตมาไม่เห็นต้องไปกดต้องไปข่มอะไรเลยมึไม่เป็นอะไรมันก็มีลักษณะสองอย่างอะที่ไม่ต้องกดต้องข่มมันมีลักษณะได้จริงบรรลุจริงกับหน้าด้านหน้าด้านก็ไม่ต้องข่มมันด้านซะแล้วข่มยังไงล่ะมันแข็งเป๊กแล้วนี่มันก็หน้าด้านหน้าด้านหน้าทนด่างไงเขจะก็เฉยไม่คิดไม่นึกโยนทิ้งมันลูกเดียว หน้าด้านนี่คือลักษณะสมถะนะสมถะนะลักษณะสมถะพง์หน้าด้านนี่ยพงสมถะคือมันแข็งมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วมันก็ไม่คิดนึกไม่ไม่เปรียบไม่ไม่เปรียบไม่ เ, มเทียมไม่วัดไม่พิจารณาส่วนคนที่ไม่ใช่หน้าด้านเป็นคนที่บรรลุธรรมนั่ น, นรู้ รู้เขาพูดอะไรเขาด่าอะไรเขาว่าอะไรเข้าใจมีความคิดนึงมีการเปรียบเทียบมีพิจารณามีรู้ลึกรู้ตื้นรู้หนารู้บางรู้ผิดรู้ถูกรู้ความจริงในความเป็นจริงเราผิดหรือไม่ผิดก็ตรวจความจริงของตนเองด้วยเรายังเหลือเศษเหลืออะไรได้ประโยชน์จากคำว่าคำด่าของเขาด้วยแล้วใจจะสะเทือนมากสะเทือนน้อยเห็นความจริงของตนเองด้วย อ่ามันสะเทือนน้อยนึงก็ต้องรู้เออน้อยนึงนะเราก็ต้องพยายามปลดปล่อยแม่น้อยแม่อะไรก็ต้องให้สงบรงับมันมีกระเทือนมากก็ให้รู้หรือไม่กระเทือนเลยก็ให้อ่านชัดเจนเลยว่าไม่กระเทือนแล้วไม่ใช่ไม่กระเทือนแบบธรรมถะเท่านั้นกดข่มไว้เท่านั้นแต่ไม่กระเทือนเพราะเราเองเรามีปัญญามีวิปัสสนาญาณอ๋อเขาว่าอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเขาวาอย่างนี้เพราะเห็นถ้ามีปฏิภาณปัญญาก็จะรู้ละเอียดเลยอธิยาอธิบายได้บรรยายได้ด้วยแต่แม้ว่ายังจะไม่มีปัญญาอย่างนั้นก็ เข้าใจเขาไม่โกรธไม่ถือสาไม่แค้นไม่เคืองไม่อะไรจริงจิงคุณธรรมอย่างนี้นี่แหละเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนเราอย่าว่าจะด่าเลยเขาจะมาฆ่าเขาจะมาแกงอะไรล้าก็รู้ว่า ต, ตามเหตุตามปัจจัยที่อาตมาก็เคยพูดให้ฟังว่ามันเป็นความจริงเรื่องนี้เป็นธรรมดามันต้องมีงี้มันพิสูจน์ความจริงแล้วมันก็ประกาศความจริงถ้าอาตมา ด, ดี อีกฝ่ายหนึ่งก็ดีเป็นศีลสามั ญ, ญาตาเป็นทิฏฐิสามั ญ, ญาตามันจะทะเลาะกันหมทะเลาะกันไห ม, ไ, หมไม่ทะเลาะเพราะฉะนั้นมันประกาศความจริงแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วอาตมาดีอย่างนี้ทางโน้นก็ว่าไม่ดีมันไม่เป็นศีลสามัญญาตามันไม่เป็นทิฏฐิสามั ญ, ญาตาแล้วมันประกาศความจริงทีนี้คุณก็เลือกสิคุณว่าอันไหนเป็นธรรมวาทีคนไหนเป็นอธรรมวาที อัตามากล่าวอย่างนี้คุณฟังคุณก็พิสูจน์พิจารณาเอออันนี้น่าเชื่อถืออันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะพูดถูกพูดควรอัน น, นู้นไม่พูดไม่ถูกไม่ควรคุณก็เลือกเอาหรือคุณว่าอัน น, นู้นพูดถูกพูดควรอัตามาพูดไม่ถูกไม่ควรคุณก็เลือกเอานี่นานาสังวาตแต่แน่ๆนะมันไม่เหมือนกันแล้วกรรมต่างกันอุทเทศต่างกันศีลไม่เสมอสมานกัน สินสิกขาจิตสิกขาสิกไม่เสมอสมากนกันสินสิกขาจิตสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาไม่เสมอสมานกันแล้วเป็นานานานสังวรแล้วคุณก็เลือกเอาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากระทาบุญทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วผู้ใดเป็นธรรมวาทีก็เคารพนักถือเรียบสายคนนั้นเองตัวเองมีปัญญาเท่าไหร่ก็เลือกเฟ้นเอาเองใช่ไหมนี่เป็นความจริงอย่างนี้ทีนี้คุณเลือกแล้วคุณก็ได้พึงมาพิสูจน์สิมาพิพิสูจน์พึ่งพระพุทธระธรรมพระสงฆ์กันอีกต่อ อาตมามั่นใจในสัจจะเราได้เข้าถึงเราได้พึ่งเราก็จะพึ่งอาตมาจะขอพึ่งอันนี้อาตมาไม่ขอพึ่งลาบไม่ขอพึ่งยศไม่ขอพึ่งสรนเริญแต่มันจะมีสันเริญก็ไปตามธรรมนะอาตมาไม่ใช่ไม่มีคนสันเริญ น, นะมีนะคนสันเริญก็มีแต่คนคนว่าร้ายมันมีมากทุกวันนี้ยิ่งประกาศนีกรรมกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่โอ้โหมากอาตมาไม่ได้ไปลองดูนี่ไปเดินโชว์เชฟอย่างนี้ออกไปดูนี่จะโดนควางโดนปลาหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เนี่ยเพราะเขาปลูกเรากันนะปลูกเราให้โกรธให้เกลียดเกลียดอาตมานี่ห้าว่าจะมาทําลายศาสนาจะมาล้มล้างศาสนาพุทธเขาหวงแหนกันนะศาสนาพุทธเนี่ยแล้วเขาก็เชื่อตามนะแล้วเขาเชื่อด้วยว่าอาตมาจะมาล้มล้างศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยเขาก็จะเอาตายอะทีอาตมาก็ที่จริงก็ไม่ได้กลัวหรอกนะแต่มันไม่ได้ไปพิสูจน์เขาห้ามไม่ไปพิสูจน์แม้แต่เดินมิตบากเขาก็ไม่ให้ไปก็เลยไม่รู้ความจริงอยู่เหมือนกันเนี่ยรอดตัวอยู่ตรงเนี้ย เขาช่วยให้รอดตัวเนอะเพราะเขาไม่ให้ออกไปเขาไม่ให้ไปบินธบัติที่จริงอาตมาก็ไปได้นะแต่ว่าอาตมาก็ไม่ใช่นักเที่ยวก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ถ้าไปก็ไปงานไปธุระเท่านั้นเองบ้างไอธรรมดาจะออกไ ป, ไปเทีวๆเตเตไปชอปปิง้งไปโชว์เชฟอะไรก็ไม่เอาแล้วนะก็เลยไม่ได้ไปโชว์เชฟลองดูว่าไอเชฟอย่างนี้มนะีแฟชั่นอย่างนี้เนี่เขาจะว่าไง <c oughs> ไม่รู้ว่าในประเทศไทยจะมีกี่คนอย่างเงี้ย นุ่ห่มอย่างนี้ไม่รู้มีกี่คนถ้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยจะมีคนเดียวมั้ง only one in the world มั้งสงสัยจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านี้มั้งอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปโชว์แช่ไปอะไรต่อไรก็ได้พึ่งนะอาตมาก็ไม่ได้พึ่งอันนี้เรานะพวกคนมานี่ยก็คุณไม่ได้มาไปพาขาวเนี่ใช่ไหม ไม่ได้มาได้ผ้าขารแลได้พึ่งอัตมาก็พึ่งธรรมะไอ้นี่เ ม, มันก็เป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นสกเก็ตเป็นอะไรอยู่อย่างงั้นแค่นั้นในรูปแบบเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นเนื้อหาอะไรก็คุณรู้แล้วอัตมามีเนื้อหาพึ่งเนื้อหานั้นๆคือคือค อ, ค อ, อะไรออจะเคารพนับถือบูชาคนไหนยังยึดติดอยู่ในเนื้อหาก็อาจจะลดลงไปบ้างไหม ไม่ใชผ่ากาสาว่พัดแล้วลดความเคารพลงมาก็อาจจะเป็นได้มืองกันนะคนไหนเขาติดยึดอยู่อย่างนั้นบ้างก็ไม่อาตมา ก, ก็ไปช่วยไม่ได้เราอะไรงั้งนของใครของมันนะคนนั้นไม่ถือว่าอู้ไม่เห็นมันประหลาดอะไรเทศก็เทศเหมือนเก่าดีไม่ดีเทศจังกว่าเก่าด้วยอ่าบรรยายลึกซึ้งกว่าเก่าด้วยอะไรอีกด้วยแล้วจะไม่เกี่ยวอะไรก็ผ่าขาวเกี่ยวอะไรก็บผ่านุ่งห่มอะไรใช่ไหมเมื่อก็ยเองเอ๊ก็ผ่านําเนื้อหาไปเนําเนื้อหาตกต่ําอะไรเนื้อหาก็ดีขึ้น เจ๋งๆขึ้นโดยซ้าไปคุณสันทิยาบอกว่าแม่ตั้งแต่โดนเรื่องโดนราวเนี่ยตอนช่วงหลังๆที่ออกจากคุกมาแล้วเนี่ยแม่เขอาอภัยมาถึงคุกที่กักขังออกจากที่กักขังมาแล้วในเทศเนี่ยโอ้โหมันต้องซื้อเทปเก็บไว้หมดทุกชุดเลยเทศจังๆทั้งทุกใบเทศแม่ฟังแล้วมันเข้าใจทันทีแล้วมันรู้สึกว่าลึกมันรู้สึกมีเนื้อมีตัว ก็ใช่มันมีสภาวะรองรับเยอะนะผู้ได้อยู่ใกล้คิดนี่เลยซับซาบคบคุณกันอยู่นี่มันเห็นมันรู้นะอาตมาพูดพูดไปเนี่ยบางทีมันภาษามันสื่อไม่หมดแต่มันละไว้ในที่เข้าใจละไว้ในฐานที่เข้าใจอยู่หลายอย่างเห็นไหมมันมันเข้าใจปฏิพัน์มันถึงเลยมันรอบเออมันชัดตอนหลังๆในยิงเทปมาไอ้ตรงซื้อเก็บไปทุกชุดเลยว่างั้นนี่อาตมาก็าไม่ได้บอกคุณได้ต้องไปซื้อเทปเขามากๆตรงนะพูดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะหาอาตมามาโฆษณาขายเทปอีก อย่างนี้คุณสันติยาเขาว่าเมื่อเช้านี้คืยังพูดอาตมาก็ว่าก็จริงเพราะอาตมาก็ต้องสาะลึกลงไปในเหตุปัจจัยที่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คุณค่าเพราะอย่างนี้มันเป็นโจทย์เป็นสภาวะที่แท้อาตมาก็ต้องเอาสภาวะนี้แหละมาประกอบในการบรรยายอาตมาทําอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนเอาเหตุการณ์จริงพวกเราจริงนี่แหละมีโนมีนีอาตมาเอามาเป็นธร ร, รมมาทั้งนั้นนามาสอนผูกเขาเป็นเรื่องเป็นภาษาเป็นธรรมมให้พวกคุณใครทะเลาะกันมั่งใครมีเรื่องนั่นนี่มั่งอาตมาเอามาอยู่เรื่อย ถ้าสังเกตเรื่องเหล่านี้เป็นของจริงที่มันจะสื่อให้เราได้เข้าใจแล้วก็แนะเชิงอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ควรทําอย่างนี้ไม่ควรทําก็บอกกันนี่แหละทําแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรทําแล้วมันไม่ดีอย่างไรทําแล้วอย่างนี้ทำแล้วดีอย่างไรอย่างไรก็ว่ากันไปแม้อย่างนี้เนี่ยอาตมาก็ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่เลวร้ายอะไรนักหรอกสําหรับทางธรรมะอาตมาคุ้มที่สุดนะอาตมาถูกย่าถูกยีขนาดนี้ก็คุ้มเพราะขณะนี้ก็กําลังสะสางกันนี่โอ้โห สืบสาวเข้าไปเนี่ยยิงขาววันนี้โราโหเขาเรียกซ่องเลยโอ้เนี่ยอะไรนะใจไทยรัฐจ่าหัวเบลเลอร์เราเรียกซ่องเลยโอ้เรียกกันได้ถึงอย่างนั้นนั่นอะไรห้องเชือดเจอห้องเชือดไม่ใช่ไทยรัฐอะไรฉบับไหนที่เขาว่าซ่องอะวันนี้เรียกซ่องเลยวันนี้เรียกห้องเชือด อโอ้มันดูกว่างมันดูกว่อง น, นห้องเชือดปากจัดชมัดเลยของเนี้ยว่าเขารุนแรงฮะเมื่อกี้นีใครมายูตังค์อสังเกตว่ามิถุนาที่ผ่านไปสันติอโศกโดนชำระข่าวเป็นของสันติอโศกทั้งสิ้ น, น, นกระกระดาบเลื่อนเข้ามา มหาเทระสมาคมก็เป็นตัวเรื่องข่าวข่า ว, าวเป็นของมหาทเทรสมาคมมาเรื่อยๆก็ว่าอย่างนั้นก็ฟังไปดูสรุปแล้วนี่อาตมาว่ามันคุ้มอาตมาเสียสละเท่านี้นี่คุ้มในในชบระกันไปสิอาตมาไม่ได้ยึดถือว่านี่เป็นศาสนาของเราเท่านั้นมหาเทระสมาคมก็ศาสนาพุทธอาตมาก็ไม่เคยไปละลาบละลวงจะว่าจะไปโค่นไปล้มอาตมาถืออย่างพระพุทธเจ้าเราไม่เคยจะมาล้มล้างลทัทธิไหนไม่เคย ไม่ได้เคคิดอย่างนั้นจริงๆแต่เราต้องติเตียนสิ่งที่ควรปรับปรุงอันใดไม่ดีเลิกละเสียอันใดดีก็พยายามทําให้ดีขึ้นก็พูดด้วยอย่างนี้แต่ตัวเองมันไปเลยเถิดน่ะมาว่ากูกูจะเอาอแกกูจะเอาแกให้ล้มไม่ไม่ไม่ต้องปิดปากอะไรก็แล้วแต่ปิดไม้ปิดมือปิดปากปิดคอเนี่ยวิธีการเนี่ยปิดไม้ปิดมือปิดปากปิดคอไล่อาตมาออกจากขบวนการอย่ามาแตะมาต้องของข้านะนั่นเป็นอย่างนั้นน่ะ อาตมาเห็นแล้วก็โอ้นี่ท่านเองนี่ท่านยึดมัน่นถือมั่นเหลือกเกินศาสนาของข้าแต่ผู้เดียวเหลือกเกินนะเราจะไล่เราออกจากศาสนาซะด้วยมันก็รุนแรงนะอาตมาว่าอาตมาไม่เคยรุนแรงอย่างนี้แต่ท่านก็ทําอย่างนี้อาตมาก็ยังยินดีนี่ไม่ได้พูดเอ า, เอาโกนะอาตมารู้สึกยินดีจริงๆว่าเออท่านได้ปรับปรุงศาสนากันซ ะ, ะนี่อธิการส่วนก็ยอมไม่ทำไอ้ขิกแล้ว ตามที่ข่าวออกมารายการอื่นเขาก็ทำไปสะสางกันเรื่อยๆไปสาธุจริงๆนะอนุโมทนาดีแล้วล่ะดีแล้วลอาตมาก็ต้องการอย่างนี้นี่แหละแล้วทาให้จริงสิผู้สะสางเาีสะสางตัวเองด้วยผู้ไปสะสางคนอื่นเน่ยสะสางตัวเองด้วยนี่ฝากฟ้ า, ฝ า, ฝ, าฝากดินไปต่อสะสางตัวเองด้วยอะไรที่ตัวเองก็ยังไม่เข้าท่าอยู่ในธรรมในวินัยนั้นทำไปสิ สร้างตัวเองด้วยไอ้ที่ฝากไปหนัหนกๆแต่ตอนนี้ต้องพูดแรงแล้วเอ็นนีส้สกิยาปาจิตตีข้อที่มีเงินมีทองเนะี่ยเลิกกันบางทีข้อนี้นะ่ะมันปรงอาบัตไม่ตกไม่เอาออกนะั่นแหะจะฝากแบงก์ฝากบางไป็ชื่อของใครแต่ก็ยังถือเป็นของตัวอยู่มันก็ทั้งนั้นนะ่ะนีส่สกิยาปาจิตตีปลดไม่ออกหรอกปรงอระบาดไม่ตกลองทําให้สะอาดดูสิธรรมเวไนยนี้จะเป็นที่พึ่งของมนุษยชาติกันอย่างแท้จริง เอาละเลยเวลาไปหลายนาทีแล้วเอวังด้วยปีด้วยประการลช น, นิ